วันนี้พวกเราได้มาเทศมาฟังเทศฟังธรรมเพื่อมาศึกษาวิธีสร้างที่พึ่งทางใจที่เป็นที่พึ่งที่สำคัญที่สุดเพราะใจเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำคัญตรงที่ว่าใจไม่มีวัน ่ายนี่เองที่พึ่งทางร่างกายนี้สำคัญก็เพียงชั่วคราวเท่านั้นเพราะร่างกายเป็นของที่จะต้องตายไปสร้างที่พึ่งทางร่างกายให้ดีขนาดไหนก็ตามก็ไม่สามารถที่จะยับยั้งความตายของร่างกายได้ พอร่างกายตายไปแล้วที่พึ่งทางกายก็ไล่ความหมายไปเราจรึงไม่ควรที่จะเสียเวลากับการสร้างที่พึ่งทางร่างกายมากจนเกินไปสร้างที่พึ่งทางร่างกายพอให้อยู่ไปได้วันวันหนึ่งก็พอแล้ว เพราะเราก็ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้ร่างกายจะอยู่หรือไม่ดูตัวอย่างของพระพุทธเจ้าตอนที่ทรงสเสด็จออกบวชแล้วพระ อ, องค์จงไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ได้ให้ความสำคัญกับที่พึ่งทางร่างกายมากนะักก็พอให้อยู่ไปเช่นอาหารก็เป็นทบาด ได้อะไรมาก็รับไปรับประทานฉันวันละมื้อที่อยู่อาศัยก็แล้วแต่จะหาได้ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ตามโคนไม้ตามเงื่อมผาหรือในถ้ำหรือตามเรือนร้างพอหลบแดดหลบฝนได้ก็พอแล้วสำหรับเรื่องที่อยู่อาศัย ส่วนเครื่องนุ่งห่มก็คือผ้าไตทีอนมีผ้าสามผืนผ้านุ่งผ้าห่มแล้วก็ผ้าคุมปกคลุมกันหนาวสามผืนนี้ก็พอเพียงต่อกับต่อกับการต้องการของร่างกายในเรื่องเครื่องนุ่งห่มแล้วยารักษาโรค ก็รักษาไปตามมีตามเกิดถ้าไม่มียาก็ใช้ายาดองน้ำมูดยาดองน้ำปัสสวะก็สามารถที่จะรักษาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆได้เพราะโรคภัยไข้เจ็บนั้นก็มีอยู่สามระดับด้วยกันระดับแรกก็คือเป็นเองแล้วก็หายเองได้ ไม่ต้องรักษาก็ได้ระดับที่สองเป็นเองเป็นแล้วก็ต้องรักษาถึงจะหายถ้าไม่รักษาก็ไม่หายแล้วก็ระดับที่สามเป็นแล้วรักษาก็ไม่หายไม่รักษาก็ไม่หา ย, ก, ก, า ก, หายก็มีอยู่สามโรคที่ไม่ว่าใครก็ตามที่เกิดมาแล้ว จะต้องพบกันทั้งนั้นจะเป็นราชาพระมาหากษัตริย์มหาเศรษฐีหรือขอทานข้างถนน mm hmm. ก็ต้องพบโรคทั้งสามนี้แล้วต่อให้มีทรัพยากรมากมายขนาดไหนก็ตาม mm hmm. ก็ไม่สามารถที่จะร่วงพ้นโรคทั้งสามชนิดนี้ได้ ไม่สามารถร่วงพ้นความตายไปได้ดังนั้นการที่เรามาเสียเวลากับการสร้างที่พึ่งทางร่างกายอย่างวิถิตพิสดาร น, นี้เป็นการกระทําของคนโง่ของคนไม่ฉลาดเอาเวลาเอาทรัพยากรที่มีคุณค่านี้มาสร้างกับสิ่งที่ไม่มีคุณค่ามากนะัก แทนที่จะเอามาสร้างกับสิ่งที่มีคุณค่าอย่างมากกับไม่สร้างกันการสร้างที่พึ่งทางใจนี้แหละเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเพราะว่าถ้าใจมีที่พึ่งแล้วใจก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ไปตลอดอนันตการ ไม่มีวันสิ้นสุดมีแต่ความสุขตลอดเวลาพระพุทธเจ้าทรงเป็นพระองค์แรกที่ทรงสามารถสร้างที่พึ่งทางใจได้แล้วหลังจากที่ทรงสร้างที่พึ่งทางใจได้สาเร็จแล้วพระองค์จึงนาเอาวิธีสร้างที่พึ่งทางใจนี้มาเผยแผ่ สั่งสอนให้แก่ผู้อื่นต่อไปผู้ที่ได้ยินได้ฟังแล้วเกิดศรัท ธ, ธาความเชื่อน้อมนำเอาไปปฏิบัติก็จะสามารถสร้างที่พึ่งทางใจได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้เช่นเดียวกับที่พระพุทธเ จ, จ้าได้ทรงหลุดพ้นท่านเหล่านี้ก็มี ชื่อว่าพระอาหารหันตาสาวกเป็นผู้ที่รับรองคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าเป็นสวากขาโตภะวตาธโมเป็นธรรมที่ตัดไว้ชอบแล้วคือเป็นความจริงทุกประการไม่ว่าจะเป็นเหตุหรือเป็นผลเป็นความจริง ถ้าจเจริญเหตุนี่แล้วจะเกิดผลนี้ขึ้นมาพอนำไปปฏิบัตินำไปพิสูจก็เป็นจริงอย่างที่ทรงตัดไว้จึงไม่มีใครมาลบล้างพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามีแต่มายืนยันมารับรองว่าเป็นสวากาโตภะวะตาธรรมโม เป็นสันทิทธิโกคือเป็นธรรมที่สามารถพิสูจน์ได้เป็นธรรมที่ไม่ใช่ให้เชื่อเฉยๆแล้วก็ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าจริงหรือไม่อย่างคำสอนของาศาสดารูปอื่นเช่นสอนว่าพระเจ้าสร้างโลกขึ้นมา พระเจ้าเป็นผู้มาถ่ายบาปถ่ายกรรมให้แก่สัตว์โลกทั้งหลายอันนี้ไม่มีใครสามารถพิสูจน์ได้ไม่เหมือนกับพระพุทธศาสนาก็ทำคําสอนว่าตนเป็นที่พึ่งของตนตนเป็นผู้ถ่ายบาปเป็นตนเป็นผู้กำจัดความทุกข์ทั้งหลายให้หมดไปจากใจได้ อันนี้เป็นสิ่งที่แตกต่างกับศาสนาอื่นศาสนาพุทธนี้ท้าทายต่อผู้ที่ศึกษาถ้าอยากจะรู้ว่าจริงหรือไม่ขอให้นำเอาไปปฏิบัติเถิดเอาไปพิสูจน์ดูแล้วจะไม่มีใครมาค้านว่าไม่ได้เป็นความจริงแล้วก็เป็นความจริงที่เป็นอนัต อาการลิโกคือไม่เปลี่ยนไปตามการตามเวลาเป็นจริงอย่างไรในสมัยพระพุทธการก็เป็นจริงอย่างนั้นในสมัยปัจจุบันนี้และจะเป็นจริงอย่างนี้ต่อไปในอนาคตตราบใดที่มีการศึกษามีการปฏิบัติมีการบรรลุธรรมตราบนั้นก็จะมีพระอรหันต อยู่กับโลกไปเสมอ น, นี่คือความจริงที่เป็นอากาลิโกพวกเราที่มาอยู่ในสมัยปัจจุบันนี้จึงอย่าลังเลสงสัยเครือบแขงใจว่าเอพระพุทธเจ้าไม่ได้ประทับอยู่ในโลกนี้แล้วพระธรรมคาสอนของพระองค์นี้ยังจะสามารถ ยังประโยชน์ให้แก่ผู้ปฏิบัติได้หรือไม่เพราะว่าแม้แต่ในสมัยปัจจุบันนี้ก็มีผู้ที่สามารถพิสูจน์ความจริงของพระทำคำสอนได้อยู่เรื่อยๆว่ายังเป็นความจริงอยู่ยังยังประโยชน์ได้อย่างเต็มที่เหมือนกับในสมัยที่พระบรมศาสดา ทรงประทับอยู่เพราะว่าคาที่ทรงตัดไว้ว่าธรรมวินัยที่ตถาคตตัดไว้ชอบแล้วนี่แหละจะเป็นาศาสดาของพวกเธอต่อไปพวกเธอจะไม่ได้อยู่ปราศจากศาสด า, ก, ส า, ดาก็คือเรายังมีพระพุทธเจ้าอยู่กับเราในรูปของพระธรรมวินยัย ที่พวกเราศึกษากันอยู่มาอย่างต่อเนื่องนี่เองขั้นขั้นตอนหลังจากที่เราศึกษาแล้วนั้นก็คือต้องนำเอาไปปฏิบัติถ้าเราไม่นำเอาไปปฏิบัติปฏิเวทคือผลอันเลิศอันประเสริฐเช่นมรรคผลนิพพานขั้นต่างๆจะไม่ปรากฏขึ้นมา โสดาปฏิผลจะไม่ปรากฏขึ้นมาสกิดาคามีปัฏิผลจะไม่เกิดขึ้นมาอนาคามีปฏิผลจะไม่เกิดขึ้นมาอารหัตผลจะไม่เกิดขึ้นมาถ้าไม่มีการปฏิบัติการปฏิบัติก็ต้องเป็นแบบปฏิบัติดีปฏิบัติชอบคือสุ ป, ปฏิปันโนปัตปุชุ ป, ปฏิปันโน ญายปฏิปปโนสามีจิปฏิปนโนเท่านั้นถึงจะยังคืออริยบุคคลขั้นต่างๆขึ้นมาได้ mm hmm. ดังที่พวกเราได้เจริญบทสังขานุสติกันอยู่เป็นประจำสุ ป, ปฏิปปโนสาวกสังโฆญายปฏิปปโนสาวกสังโฆ สามีจิตปฏิปันโนสาวะกะสังโคนี่ก็เป็นเหตุเป็นการปฏิบัติเป็นขั้นที่สองของการเจริญสร้างที่สร้างสารณะที่พึ่งทางใจขั้นแรกก็คือปริยัติคือการศึกษาพระธรรมคำสอนซึ่งในสมัยปัจจุบันนี้ ก็มีอยู่หลากหลายวิธีด้วยกันจะศึกษาจากพระไตรปิฎกที่ได้มีการจารึกไว้ก็ได้หรือจะศึกษาจากพระธรรมคำสอนของพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายโดยตรงถ้าท่านมีชีวิตอยู่ก็ได้หรือจะศึกษาจากหนังสือคำสอนของท่านหรือว่า แผ่นซีดีบันทึกเสียงหรือแผ่นวิดีโอบันทึกภาพและเสียงก็เป็นการศึกษาเหมือนกันเป็นปริญญาตเหมือนกันเพราะถ้าไม่ได้ศึกษาแล้วก็จะไม่รู้จากวิธีที่จะปฏิบัติให้ถูกต้องนั่นเองถ้าไม่ถ้าปฏิบัติไม่ถูกต้องผลย่อมไม่เกิดขึ้นมา เลือเกิดก็ไม่ได้เป็นผลที่ถูกต้องเป็นผลที่ผิดแทนที่จะนําไปสู่ความหลุดพ้นจากความทุกข์ก็จะนําไปสู่การสร้างความทุกข์ให้มีเพิ่มมากขึ้นไป<ม>การศึกษาหรือปริยัตินี้จึงเป็นความสําคัญเป็นสิ่งที่สําคัญอย่างยิ่งถ้าไม่มีปริยัติแล้ว การปฏิบัตินี้จะเป็นไปได้ยากผลคือปฏิเวชนี้แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนอกจากเป็นบุคคลที่ฉลาดแหลมคมเช่นพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่ทรงปฏิบัติโดยพระ อ, องค์เองศึกษาโดยพระ อ, องค์เองโดยไม่มีใครสั่งสอนมาก่อน เนื่องจากพระองค์ไม่สามารถหาผู้ที่รู้ความจริงของการสร้างสาระที่พึ่งทางใจได้นั่นเองทรงศึกษากับครูบาจารย์หลายรูปหลายท่านด้วยกันท่านก็สอนได้เพียงแค่สาระที่พึ่งทางใจชั่วคราวคือขั้นสมาธิเวลาใจสงบอยู่ในสมาธิ เวลานั้นใจก็ปราศจากความทุกข์มีแต่ความสุขแต่สมาธินี้เป็นของชั่วคราวไม่สามารถอยู่ในสมาธิไปได้ตลอดเวลาอย่างมากที่ได้ยินได้ฟังมาก็อาจจะอยู่กันครั้งละอาทิตย์สองอาทิตย์หรือครา้งละหนึ่งเดือนอย่างนี้เป็นต้นแต่เนื่องจากร่างกายนี้จำเป็นจะต้องรับปัจจัยสี่ ก็จะต้องออกจากสมาธิมาเพื่อมาเติมปัจจัยสี่ให้แก่ร่างกายเช่นอาหารและน้ำดื่มเป็นต้นเวลาออกจากสมาธิมากิเลสตัณหาที่ถูกกำลังของสมาธิกดไว้ก็จะออกมาเคลื่อนไหวเหมือนเดิมก็จะมาผลิตมาสร้างความทุกข์ให้แก่ใจเหมือนเดิม เปรียบเหมือนหินทับญ้าเวลาหินทับยญ้าไว้หญ้าก็จะไม่สามารถงอกเงยขึ้นมาได้เวลาโยกหินออกจากหญ้าไปทิ้งไว้สักระยะหนึ่งหญ้ากจ็จะเจริญงอกงามขึ้นมาใหม่ได้จันไรกิเลสตัณหาก็เป็นเหมือนหญ้าเวลาอยู่ในสมาธิก็ถูกกำลังของสมาธออิกดเอาไว้ ไม่สามารถทำงานได้ไม่สามารถผลิตความทุกข์ให้แก่ใจได้ใจจึงมีความสุขมีอุบเบกขาสัจธรรมรู้แต่พอใจต้องออกมาดูแลร่างกายมาเติมธาตุสีให้แก่ร่างกายก็เกิดตัณหาตามมาเห็นอาหารเห็นเครื่องดื่มก็แทนที่จะดื่มแทนที่จะรับประทานเพื่อร่างกายก็ เกิดความอยากดื่มอยากรับประทานเพื่อความอยากอยากจะดื่มอาหารดื่มเครื่องดื่มชนิดนั้นอยากจะรับประทานอาหารชนิดนี้ชนิดนี้เป็นต้นอันนี้เป็นการเติมธาตุให้กับร่างกายและกิเลส ต, ตัณหาไปพร้อมๆกันเพราะว่าไม่มีใครรู้จักวิธีที่จะ ค่ากิเลสตัณหาให้ตายได้อย่างถาวร น, นั่นเองเพราะพุทธเจ้าจึงต้องศึกษาด้วยพระองค์เองกพระทรงพยายามสอบถามครูบาอาจารย์ต่างๆแล้วก็ไม่มีใครรู้วิธีที่จะทำลายกิเลสตัณหาให้หมดไปจากใจได้จนในที่สุดหลังจากได้ทดลองผิดทดลองถูกก็ทรง พบแนวทางที่เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลางทางแห่งมรรคที่มีองค์แปดหรือทางแห่งทานศีลภาวนานี่เองอันนี้ต้องเป็นคนที่ฉลาดจริงๆถึงสามารถพบทางนี้ได้ถ้าไม่มีผู้สอนไม่มีครูบาอาจารย์ถ้าไม่มีความฉลาดระดับพระพุทธเจ้าแล้ว ถ้าไม่ศึกษากับผู้อื่นจะไม่มีวันที่จะสามารถพบทางนี้ได้จะไม่มีวันที่จะพบมรรคปดไม่มีวันที่จะพบอริยรรสัจสี่ได้ทั้งๆ ท, ที่เป็นของที่มีอยู่ภายในใจนี้แต่ความหลงความไม่รู้นี่หลอกไม่ให้ดูข้างในให้หลอกให้ออกไปหาข้างนอก วิธีดับทุกข์จากสิ่งต่างๆภายนอกแทนที่จะเข้ามาหาวิธีดับทุกข์ภายในเพราะเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์นี้มันอยู่ข้างในนี่เองถ้ารู้วิธีก็จะสามารถดับความทุกข์ที่มีอยู่ภายในใจได้ถ้าเข้ามาดูว่าต้นเหตุของความทุกข์ภายในใจคืออะไร และวิธีที่จะแก้ความทุกข์ภายในใจนี้แก้อย่างไรแก้ที่ไหนก็ต้องแก้ที่ใจนี้แหละไม่ได้ไปแก้ที่ข้างนอกไม่ได้ไปแก้ที่ร่างกายไม่ได้ไปแก้ที่ปัจจัยสี่ไม่ได้ไปแก้ธรรมชาติต่างๆอย่างที่ผู้ที่มีความมืดบอดพยายามแก้กันอยู่ทุกวันนี้พยายามแก้ ภายนอกแก้เรื่องของร่างกายพยายามหาวิธีการต่างๆที่จะให้ร่างกายนี้อยู่ไปนานๆไม่มีวันตายหามาแล้วทุกยุคทุกสมัยก็ไม่มีใครสามารถที่จะทำสำเร็จก็ยังตกอยู่ในกองทุกอยู่เหมือนกันไม่ว่าจะ อดีตที่ผ่านมาอันยาวนานแสนนานหรืออนาคตที่จะตามมาต่อไปถ้าไม่ได้เข้าหาพระพุทธศาสนาหรือไม่ได้พบกับพระพุทธศาสนาแล้วศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนำเอาไปปฏิบัติจะไม่มีวันที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ไปได้เลยนี่คือความสาคัญ ของการศึกษาตอนนี้พวกเราถือว่ามีบุญมีวาสนามีโชคอย่างมหาศาลที่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาได้พบกับทางที่จะนําไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายแล้วอยู่ที่ว่าพวกเราจะสนใจศึกษาพราะธรรมคาสอนนี้หรือไม่แล้วเมื่อศึกษาแล้ว จะนำเอาไปปฏิบัติตามได้หรือไม่อันนี้เป็นหน้าที่ของพวกเราเป็นอัตตาหิอัตโนนาโถเป็นที่เป็นงานของเราเองผู้อื่นไม่สามารถทำงานนี้แทนเราได้ไม่เหมือนกับงานที่เราทำในบริษัท วันไหนเราติดธุระเราก็ฝากงานนี้ให้กับคนอื่นเขาทำแทนเราวันไหนเราไม่สบายเจ็บไข้ได้ป่วยเขาก็จัดหาคนอื่นมาทำหน้าที่แทนเราได้แต่งานนี้ไม่มีใครทำหน้าที่แทนเราได้ถ้าเราไม่ทำก็จะไม่มีใครทำให้เราแล้วถ้าเราปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยที่ไม่ทำงานนี้ เวลาของเราก็จะค่อยๆหมดไปแล้วก็อาจจะสายเกินไปเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเวลาของเรานี้มีเหลืออยู่มากน้อยเพียงไรอาจจะหมดไปในวันทุ่งนี้ก็ได้หรือวันนี้ก็ได้หรืออีกสิบปีข้างหน้าก็ได้อีกยี่สิบปีก็ได้ใครจะไปรู้ถ้าเราประมาทคิดว่า สักยี่สิบปีข้างหน้าแล้วรอค่อยมาศึกษามาค่อยมาปฏิบัติกันอย่างจริงจังจ ง, จงถ้าเผื่อเราตายไปวันนี้เราก็จะหมดโอกาสแต่ถ้าเราคิดเสมอว่าวันนี้อาจจะเป็นวันตายของเราก็ได้ถ้าเราคิดอย่างนี้เราก็จะไม่ทางานอย่างอื่นเราก็จะทำงานของเรา งานที่ไม่มีใครทำแทนเราได้งานที่สำคัญที่สุดของชีวิตของพวกเราคืองานสร้างสารณะที่พึ่งทางใจนี้เองเราก็จะทุ่มเวลาชีวิตจิตใ จ, จของเราให้กับการศึกษาให้กับการปฏิบัติถ้าเราจะทำจริงๆแล้วจะมีไม่มีอะไรจะมาขัดขวางเราได้ ไม่มีข้ออ้างอะไรต่างๆเราสามารถตัดข้ออ้างต่างๆไปได้หมดแต่ถ้าเราไม่ทุ่มเทไม่ตั้งใจที่จะทำแล้วเราก็จะมีข้ออ้างต่างๆมาอ้างไม่ให้เรามาทำงานนี้กันเราต้องดูพระพุทธเจ้าดูพออระอรหันตสาวกทั้งหลายเป็นตัวอย่างท่านตัดข้ออ้างไปหมด ท่านก็มีทรัพสมบัติเข้าของเงินทองท่านก็มีครอบครัวมีสามีมีภรรยามีบุตรมีธิดากันทั้งนั้นแต่ทำไมท่านตัดสิ่งเหล่านี้ไปได้อย่างง่ายดายทำไมพวกเรากลับตัดกันไม่ได้เพราะพวกเราไม่ฉลาดนั่นเองหรือจะเรียกว่าโง่ก็ได้ที่ไม่เห็นธูตเทวทูตสี่ ที่คอยเตือนเราอยู่เรื่อยๆว่าเวลาเราใกล้จะหมดไปแล้วน ะ, ะเวลาเราเห็นคนแก่แทนที่เราจะโอปันญิโกย้อมเข้ามาหาตัวเราน้อมเข้ามาหาตัวเราว่าเรากําลังจะแก่แบบนี้แล้ว น, น ะ, ะเวลาเห็นคนเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ไม่น้อมเข้ามาว่าเรากําลังจะเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วเวลาไปงานศพ เห็นคนตายเราก็ไม่น้อมเข้ามาที่ตัวเราที่ร่างกายของเราว่าร่างกายของเรานี้จะตายเมื่อไหร่ก็ได้นี่แหละคือสิ่งที่พวกเราไม่กระตุ้นจิตใจของเราพอทึงทรงตรัสว่าเป็นการตั้งตนอยู่ในความประมาทนี้เองถ้าอยากจะตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาท ก็จำเป็นที่จะต้องเราลึกถึงความแก่ความเจ็บความตายอยู่เรื่อยๆอยู่ตลอดเวลาเลยถ้าเราเห็นความแก่ความเจ็บความตายคืบคลานเข้ามาอยู่ตลอดเวลาเรามัวจะมาทําภารกิจต่างๆที่ไม่สําคัญที่ไม่จําเป็นไปทําไมมาดูแลทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองไปทําไม มาดูแลสามีภรรยาบุตรธิดาไปทำไมทุกคนในที่สุดก็ต้องหมดสภาพไปเพราะทุกสิ่งทุกอย่างทุกบุคคลนี้อยู่ภายใต้กฎของอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งนั้นไม่มีใครอยู่เหนือกฎนี้ดังนั้นไม่ว่าเราจะมาดูแลกันอย่างไรก็ไม่สามารถที่จะยับยั้ง ความแก่ความเจ็บความตายไปได้อยู่ดีอันนี้ลหละเป็นสิ่งที่เราพึงสังวรให้มากๆพึงเจริญให้มากๆถ้าเราอยากจะกระตุ้นจิตใจของเราให้เข้าสู่การศึกษาสู่การปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังถ้าเราพิจารณาอยู่เนืองๆแล้วเราก็จะตัด ภาระต่างๆเหล่านี้ได้ว่าเป็นเรื่องของตัวใครตัวมันแล้วเรื่องของการพึ่งตนเองนี้ต้องพึ่งด้วยตนเองแล้วต้องพึ่งทางใจไม่ใช่พึ่งทางร่างกายทุกคนสามารถพึ่งตนเองได้ไม่ต้องให้ผู้อื่นมาดูแลกันแต่ถ้าไม่ไม่สนใจที่จะสร้างที่พึ่งทางใจก็ช่วยไม่ได้ เราต้องคิดอย่างนี้เพื่อที่เราจะได้ตัดภาระต่างๆออกไปจากใจของเราเพื่อใจของเราจะได้ว่างจากภารกิจที่ไม่จำเป็นที่ไม่สำคัญต่างๆแลวเราจะได้มีเวลามาทุ่มเทให้กับภารกิจที่สำคัญอย่างยิ่งคือการสร้างที่พึ่งทางใจ อย่างพระพุทธเจ้านี้อายุแค่ยี่สิบเก้าปีก็ทรงตัดภาระต่างๆออกไปจากใจได้หมดนะครูบาอาจารย์ที่เรากราบว่าบูชากันท่านก็ตัดภาระกิจต่างๆออกไปได้ตั้งแต่ยาววัยออกบวชกันแล้วก็บรรลุเป็นพระสาวอารหันตสาวกัน ถ้าไม่ได้ออกบวชแล้วรับรองได้ว่าจะไม่ได้เป็นพระอาลามตาสาวกอย่างแน่นอนเพราะเท่าที่ดูมาผู้ที่ได้บรรลุเป็นพระอาลามตาสาวกนี้รู้สึกว่าเก้าสิบเก้าเปอร์เซนตจะต้องเป็นนักบวชเท่านั้นอาจจะมีเพียงเปอร์เซ็นต์เดียวถือว่าเป็นกรณียกเว้นเป็นบุคคลที่สามารถบรรลุเป็นพระอาหามได้ โดยที่ไม่ได้ออกบวชนอกนั้นนี้ต้องออกบวชกันทั้งนั้นต้องทุ่มเวลาทั้งหมดให้กับการศึกษาให้กับการปฏิบัติไม่มีภารกิจอย่างอื่นมาเกี่ยวข้องเลยพอออกบวชแล้วท่านก็ศึกษาปริยัติธรรมกันศึกษาก็ทำคำสอนพอรู้แล้วว่าจะต้องทำอะไรท่านก็ออกปฏิบัติกัน อออกปฏิบัติกันไปไม่นานออก็ได้ที่พึ่งทางใจได้บรรลุเป็นพระอาหารหันตาสาวกกันแล้วก็มาเป็นที่พึ่งของผู้อื่นต่อไปออพวกเราก็เป็นเหมือนท่านท่านก็เป็นเหมือนพวกเราก่อนที่ท่านจะออกบวชก่อนที่ท่านจะศึกษาจะปฏิบัติท่านก็เป็นผู้คลองเรือนเหมือนกันไม่มีใครเกิด ไม่มีใครเป็นลูกของพระเพราะพระมีลูกไม่ได้ทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้ต้องเป็นผู้คลองเรือนกันทั้งนั้นไม่ได้เป็นลูกของนักบวชพอแต่พอโตขึ้นมาแล้วพอได้สัมผัส ร, รับรู้กับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเกิดมีศรัท ธ, ธาเกิดในวิทยาอุตสาหะเกิดสติปัญญา เห็นความสำคัญของการสร้างที่พึ่งทางใจนี้ยิ่งกว่าการสร้างสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้ท่านจึงสามารถที่จะออกบวชกันได้ออกศึกษาออกปฏิบัติกันจนบรรลุมรรคผลนิพพานกันได้พวกเราก็จะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันถ้าเราดำเนินตาม ทางที่ท่านทั้งหลายได้นำเนินกันแต่ถ้าเรายังดำเนินในทางที่เรากําลังดาเนินอยู่แบบนี้เราก็ตัดไปได้เลยว่าการบรรุมรรคผลนิพพานของเรานี้มันไม่มีเสียเวลาไปเปล่าๆ เ, เหมือนที่พระพุทธเจ้าทรงตัดเตือนพระโพธิรัตว่าใบลานเปล่าใบลานเปล่า ถึงแม้ได้ศึกษาพระธรรมคำสอนแต่ก็ไม่นาเอาไปปฏิบัติอันนี้ศึกษาอย่างเดียวก็ยังไม่พอได้ออกบวชแล้วก็ยังไม่พอนับภาษาอะไรกับพวกเราที่ศึกษาแต่ยังไม่ได้ออกบวชกันเราจะเอาเวลาที่ไหนมาปฏิบัติเพื่อให้เกิดมรรคผลนิพพานกัน นี่คือเรื่องที่เราควรที่จะพิจารณาอยู่เรื่อยๆว่าตอนนี้เราอยู่ตรงจุดไหนและก้าวต่อไปนี้เราควรจะก้าวไปทางไหนกันเราจะเดินไปในทางเดินหรือว่าเราจะเปลี่ยนทางเดินกันถ้าเราเดินไปทางเดิมก็คือไปสร้างสิ่งต่างๆ ไม่ใช่สร้างสาระที่พึ่งทางใจเราก็จะยังไม่ได้ที่พึ่งทางใจเราก็จะได้ที่ที่พึ่งทางกายได้ที่พึ่งทางกิเลสตัณหา mm hmm. แล้วการสร้างที่พึ่งทางร่างกายกับสร้างสร้างที่พึ่งของกิเลสตัณหานี้ผลเป็นยังไงผลก็คือความทุกข์นั่นเอง mm hmm. เพราะ ที่พึ่งทางร่างกายที่พึ่งของเกิเอตกันหานี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาได้มาแล้วก็หมดไปพอหมดไปก็ต้องทุกขกับการหาใหม่หามาได้ก็หมดไปใหม่ก็ต้องหาใหม่อยู่เรื่อยๆก็มีแต่ความทุกข์อยู่เรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดนี่คือทางเดินที่พวกเรากำลังเดินกันอยู่ในเวลานี้ ถ้าเราอยากที่จะได้ที่พึ่งทางใจเราก็ต้องเปลี่ยนทางเดินตอนนี้เราเหมือนกับขับรถวนอยู่ในวงเวียนไม่ยอมออกจากวงเวียนกันว น, วนอยู่ในวงเวียนนั้นวนอยู่กับการสร้างที่พึ่งทางใจสร้างที่พึ่งทางร่างกายสร้างที่พึ่งของกิเลสตัณหา แล้วพอได้มาแล้วก็หมดไปก็ต้องสร้างใหม่ขึ้นมาอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆถ้าเราอยากจะสร้างที่พื้นทางใจเราต้องบังคับใจของเราเหมือนกับบังคับรถยนต์ที่เราขับเวียนอยู่ในวงเวียนว่าต้องเลี้ยวออกจากวงเวียนเจอถนนที่มีมรรคแปดก็เลี้ยวเข้าไปเลยเจอทานศีลภาวนาก็เลี้ยวเข้าไปเลย ย่าวนอยู่กับการสร้างลาบยศสรรเสริญสร้างปัจจัยสี่ทางร่างกายสร้างความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันให้เราเลี้ยวเข้าถนนที่พาให้เราไปสู่ทานศีลภาวนากันทำทานกันให้มากขึ้นไปตามลำดับรักษาศีลกันให้มากขึ้นไปตามลำดับภาวนาให้มากขึ้นไปตามลำดับ ทั้งสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาถ้าทำไปถึงจุดหนึ่งแล้วพอได้เห็นตัวอย่างของที่พึ่งทางใจคือเวลาจิตรวมเข้าสู่ความสงบอย่างเต็มที่เวลานั้นแหละจะเกิดฉันทะวิริยะขึ้นมาจะเกิดพลังจิตขึ้นมาที่จะสามารถตัดทุกสิ่งทุกอย่าง แล้วก็มุ่งไปสู่การปฏิบัติอย่างเต็มที่ได้เ <Yeah. S 1> บื้องต้นก็ทําแบบมือสมัครเล่นไปก่อน <Yeah. S 1> ทําไปตามเวลาที่เรามีเวลาว่า <Yeah. S 1> เช่นวันหยุดทํางานแทนที่เราจะไปหาความสุขทางร่างกาย <Yeah. S 1> เราก็มาหาความสุขทางใจมาสร้างที่พึ่งทางใจมาวัดก็ได้อยู่บ้านก็ได้ทําทานรักษาศีล แล้วก็ภาวนาสีนก็ต้องเป็นสีนแปดถ้าจะภาวนาให้ได้ผลธรรมดาถ้าไม่ได้ภาวนาก็ถือสีห้าไปเช่นเวลาที่ไปทำงานทาการกรักษาสีห้าไว้อย่าให้ต่ำกว่าสีห้าทานก็พยายามทำทุกวันวันละเล็กวันละน้อยจากเล็กจากน้อยไปหามากทำไปเพื่อที่จะได้ตัด าเดินของกิเลสตัณหาที่จะเอาเงินทองนี้ไปใช้ในทางที่จะทำให้เกิดโทษกับจิตใจเอาเงินทองนี้มาทำประโยชน์ให้กับจิตใจแทนที่จะไปซื้อของฟุ่มเฟือยจะไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆก็เอาเงินทองนี้มาทำบุญให้ทานก็จะสร้างความสุขให้แก่ใจ สร้างสราระเ ล, เล็กน้อยๆให้แก่ใจให้เห็นคุณประโยชน์ของสราระที่พึ่งทางใจนี่คือสิ่งที่เราต้องผลักดันตัวรเราเองทำให้ได้ทำทานรักษาศีแล้วก็ภาวนาถ้าเราภาวนาจนจิตรวมเข้าสู่ความสงบได้เมื่อไหร่แล้วเวลานั้นแหละเราจะรู้ว่าเราพร้อมแล้วที่จะ ละทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเคยอาศัยเป็นที่พึ่งเพราะเราได้พบที่พึ่งอันใหม่ที่ดีกว่าแล้วต่อไปนี้เราจะมาสร้างที่พึ่งอันนี้ให้สมบูรณ์ตอนเริ่มแรกก็เพียงแต่ได้สัมผัสได้เห็นตัวอย่างเหมือนเวลาที่เขาขายบ้านขายคอนโดเขาจะสร้างตัวอย่างให้ดูเวลาไปซื้อเราจะเห็น ห้องพักบ้านพักที่เราจะอยู่ในอนาคตว่าเป็นอย่างไรพอเราเห็นแล้วเราก็จะเกิดความชอบเกิดความยินดีที่จะเสียเงินเสียทองวางเงินมัดจำมาไว้เพราะเรารู้ว่าถ้าเราไม่วางมัดจำเราก็จะไม่ได้งินไม่ได้บ้านหลังนี้ถ้าเราวางมัดจำเขาก็เอาเงินมัดจาของเรานี้ไปสร้างบ้านหลังนี้ให้กับเรา แล้วไม่นานเราก็จะได้บ้านหลังนี้ตามที่เขาได้แสดงตัวอย่างไว้ให้ดูะฉันใดเวลาที่จิตของเรารวมเป็นครั้งแรกนี้เวลานั้นอ่ะเหมือนกับเวลาที่เราได้เห็นบ้านตัวอย่างของเราแล้วเห็นที่พึ่งตัวทางใจตัวอย่างแล้วเห็นนิพพานเห็นตัวอย่างของมัทธิพาแล้วว่าเป็นอย่างไรว่ามันดีอย่างไรมันวิเศษอย่างไร มันดีกว่าทุกสิ่งทุกอย่างอย่างไรนี้มันจะรู้อยู่กับใจของตัวเองแล้วมันก็จะเกิดศรัทธาเกิดฉันทะเวรียะที่จะยอมเสียเงินทองเพื่อวางฆ้ามรดมนี้การวางฆ่ามรดกของพวกเราก็คือสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไปให้หมดราบยศสรรเสริญความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย ละไปหมดไม่หาสิ่งเหล่านี้มีก็สละให้ผู้อื่นไปแล้วก็ออกบวชออกไปเจริญมรรคกันไปเจริญศีลสมาธิปัญญาหรือศีลภาวนาก็คือสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนาพอได้ออกปฏิบัติแล้วแล้วได้มีครูบาอาจารย์ที่รู้ทาง คอยแนะแนวอยู่ตลอดเวลาการที่จะสร้างที่พึ่งทางใจให้สำเร็จรุ่งรงไปได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วนี้จึงเป็นสิ่งที่ไม่ยากเย็นเลยเพราะมีผู้ที่รู้อยู่คอยกำกำับเวลาสร้างส่วนไหนที่ไม่ถูกก็จะถูกเตือนให้ระ ง, งับให้สร้างในส่วนที่ถูกจึงไม่เสียเวลา ไม่เหมือนกับการสร้างโดยที่ไม่มีผู้ที่รู้คอยกํากับอยู่สร้างไปแล้วแทนที่จะได้บ้านที่เราอยากจะได้ก็ไม่ได้ดังที่ควรจะได้อันนี้แนหะคือการสร้างสราระทางใจต้องทุ่มเทเวลาชีวิตจิตใจไม่ใช่เป็นงานของมือสมักเล่น เป็นงานของมืออาชีพเท่านั้นถึงจะได้บ้านถึงจะได้สาระที่พึ่งทางใจกันดูผู้ที่เขาได้ที่พึ่งทางใจกันแล้วเขาเป็นมือสมัครเล่นหรือว่าเขาเป็นมืออาชีพกันเขาเป็นมืออาชีพกันทั้งนั้นตอนเริ่มต้นอาจจะเป็นมือสมัครเล่นไปก่อนเพราะยังไม่มีความรู้ความสามารถพอที่จะ เป็นมืออาชีพได้ก็เป็นมือสมัครเล่นไปก่อนพอได้รับผลแล้วเห็นผลของการปฏิบัติว่าดีอย่างไรแล้วตอนนั้นก็พร้อมที่จะเปลี่ยนจากมือสมัครเล่นมาเป็นมืออาชีพพอได้เป็นมืออาชีพแล้วไม่นานก็จะคว้าชิงใช้ตำแหน่งได้อย่างแน่นอนพวกเราก็ เช่นเดียวกันถ้าพวกเราอยากจะได้ที่พึ่งทางใจอยากได้มรรคผลนิพพานอยากได้บรรลุธรรมขั้นโสดาบัน ข, ขั้นสกิดาคามีขั้นอนาค า, ามีขั้นอรหันต์เราก็ต้องทุ่มเทชีวิตจิตใจของเราให้กับการปฏิบัติศีล ส, สมาธิปัญญาหรือทานศีลภาวนา เพราะนี่คือเหตุที่จะทำให้เกิดมรรคผลนิพพานขึ้นมานั่นเองการมีศรัทธาเพียงอย่างเดียวนั้นไม่พอการมีความเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แต่ไม่ปฏิบัติตามนี้ไม่พอไม่เกิดประโยชน์การศึกษาอย่างเดียวก็ไม่พอศึกษาแล้วไม่นำเอาไปปฏิบัติก็ไม่พอ ก็จะย่ำอยู่กับที่อยู่อย่างนี้ไปได้เรื่อยจนวันตายก็จะไม่ก้าวไปมากไปไกลกว่านี้มากกว่านี้เพราะการที่จะไปให้ไกลกว่านี้มากกว่านี้ได้นั้นอยู่ที่การปฏิบัติเหมือนกับการเดินทางการเดินทางจะไปก้าวหน้าไปได้ก็อยู่ที่การเดินไม่ได้อยู่ที่การดูแผนที่ถ้าอยู่บ้านนั่งดูแผนที่ดูไปทุกวันดูไปจนวันตาย โดยที่ไม่ได้เดินออกจากบ้านมันก็ไม่ได้ไปถึงจุดหมายปลายทางที่ต้องการจะไปมันก็ยังอยู่ที่บ้านอยู่นั่นเองดังนั้นถ้าเราอยากจะได้มรรคผลนิพพานอยากได้ผลอย่างที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายได้กันเราก็ต้องทุ่มเทเวลาให้กับการปฏิบัติ ให้กับการศึกษาให้กับการปฏิบัติเบื้องต้นก็ทำเท่าที่เราทำได้เวลาเรามีมากแต่เราไม่ดึงเอาเวลานี้มาปฏิบัติกันเวลาว่างเรามีถึงแม้เรามีภาระอย่างอื่นก็ตามเวลาภาระที่ต้องทำงานทำการหรือดูแลคนนั้นคนนี้เราก็ยังมีเวลาว่างอยู่ที่จะมาบาเพ็ญได้แต่เวลาที่เรามีเวลาว่างนั้นแทนที่จะเอามาบาเพ็ญ เราก็ถูกกิเลสแย่งไปเสียถูกดึงให้ไปดูภาพยนตร์ดูละครถูกดึงให้ไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆไปดูไปฟังไปดื่มไปรับประทานไปทำในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์กับการสร้างสารณะทาใจกันอันนี้เราต้องเป็นผู้ที่จัดสรรจัดตาราง เวลาของการปฏิบัติของเราถ้าเราไม่จัดสรรเราก็จะถูกกิเลสมาหลอกมาล่อให้ไปทำเรื่องต่างๆที่ไม่สําคัญไปแต่ถ้าเรากำหนดว่าเวลาใดที่เราว่างจากภารกิจที่เราต้องทำเวลานั้นจะเป็นเวลาที่เราจะมาบําเพ็ญมาเจริญสติมาเดินจงกรมมานั่งสมาธิมาศึกษามาฟังเทศฟังธรรม เราต้องกําหนดเวลาอย่าปล่อยให้ทําตามอารมณ์เพราะอารมณ์ที่อยากจะปฏิบัตินี้มีน้อยมากอารมณ์ที่ไม่อยากปฏิบัตินี้มีมากกว่าอย่างเช่นการที่มาฟังเทศฟังธรรมกันเดินละครั้งนี้ก็เหมือนกันถ้าไม่มีการกําหนดไว้ก็อาจจะไม่ได้มากันอย่างที่ได้มากันหรือว่า มีการกำหนดก็ยังมีเรื่องมีเหตุเหตุที่จำเป็นบ้างหรือเหตุของกิเลสบ้างก็ไม่รู้ละก็มีการดึงให้ไม่ได้มากันอยู่เสมอนี่แหละคือเรื่องของใจของพวกเราเป็นนี้ใจของพวกเราถูกอำนาจของกิเลสตัณหาคอยฉุดลากให้เราไปในทางของกิเลสตัณหาอยู่ตลอดเวลา ถ้าเราไม่ต่อสู้ดึงใจของเราให้กลับมาในทางของพระพุทธเจ้าจะไม่มีวันมาได้จะถูกกิเลสตัณหาคอยฉุดลากดึงให้ไปทางของกิเลสตัณหาอยู่เรื่อยๆ เ, เราจึงต้องกําหนดเวลาขึ้นมาเหมือนกับที่เรากําหนดเวลามาฟังเทศฟังธรรมกันครั้งละเดือนละหนึ่งครั้งอย่างนี้เป็นต้น เราต้องกำหนดว่าต่อไปนี้เราต้องฟังธรรมทุกวันเพราะสมัยนี้เราสามารถฟังธรรมได้อ่าหนังสือธรรมะได้เอาวันละชั่วโมงฟังธรรมไปนั่งภาวนาไปพอฟังธรรมเสร็จก็นั่งภาวนาต่อไปทำใจให้สงบต่อไปอีกสักชั่วโมงหนึ่งอย่างนี้เราก็จะได้ได้ปฏิบัติ ถ้าเราไม่กำหนดมันก็จะมีเรื่องอื่นมีเหตุอื่นมาคอยหลอกให้เราไปทำก็เราจะไม่มีเวลาที่จะมาศึกษามาปฏิบัติกันถ้าเรามีกำหนดเวลาแล้วทำให้ได้มากขึ้นผลย่อมมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้มากขึ้นอย่างแน่นอนเราตัดสิ่งที่เราต้องการก็คือผลขั้นแรกนี้เอง ขอให้เราได้พบกับความสงบขั้งแรกนิ้เถิดเหมือนกับเราได้เห็นบ้านตัวอย่างก่อนที่เราจะซื้อบ้านนี้ถ้าเราไม่เห็นภาพของบ้านนี้เราจะอยากจะซื้อหรือไม่เราจะรู้หรือเปล่าว่าบ้านที่เราซื้อนี้จะมีรูปร่างนี้หน้าตาอย่างไรถ้าเป็นซื้อบ้านที่เขาไม่มีบ้านตัวอย่างให้ดูนี้จะมีใครซื้อบ้างไม่มีใครซื้อเพราะเขาจะสงสัยแล้วว่าเอจะสร้างบ้านจริงหรือเปล่า หรือว่าจะมาหลอกเอาเงินไปเฉยๆอันนี้ก็เหมือนกันถ้าพวกเรายังไม่ได้พบกับความสงบที่เกิดจากการภาวนานี้เราจะไม่มีฉันทาวิรยิยะจะไม่มีศรัทธาที่แน่วแน่มั่นคงต่อการปฏิบัติแต่ถ้าเราได้เห็นผลที่เกิดจากการภาวนาว่าเลิศวิวเศษอย่างไรแนละ้ว ทีนี้ลนะเราจะมีฉันทะวิริยะเราจะสามารถทุ่มเทชีวิตจิตใจทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างให้กับการภาวนาได้เราจะสามารถตัดทุกสิ่งทุกอย่างไปได้หมดเลยและการที่เราจะเห็นบ้านตัวอย่างนี้ได้อย่างน้อยเราก็ต้องมีการกำหนดการปฏิบัติของเราตามสภาวะของเราที่เรามีอยู่ในปัจจุบันนี้ ตอนนี้เราต้องเอาเวลาที่กิเลสไปใช้นี้เอามาคืนให้กับธรรมะให้หมดหยุดดูโทรทัศน์ดูภาพยนตร์ฟังเพลงหยุดสังสรรค์ไปงานอะไรต่างๆไปมานานพอแล้วตายไปมาเกือบจะตายอยู่แล้วมันได้อะไรจากการไปงานสังสรรค์เหล่านี้มันก็ได้การเพลิดเพลินหรือได้การกสังสรรค์กัน ทดแทนบุญคุณกันเขามางานเราเราไปงานเขาเวลาเรามีงานเราจะได้ไม่รู้สึกเก้อเขินว่าไอ้ไม่มีใครมางานเราเลยถ้าเราไปงานเขาเขาก็จะมางานเรามันก็แค่นั้นเองมันก็ได้แค่นั้นเองมันจะได้อะไรไปมากไปกว่านั้นสู้ตัดเอาเวลาเหล่านี้มาภาวนาดีกว่ามาฟังเทศฟังธรรมมาภาวนากันแล้วเราจะได้สัมผัสกับ บ้านตัวอย่างที่พึ่งทางใจตัวอย่างพอได้สัมผัสทีนี้เราก็จะได้ตัดทุกสิ่งทุกอย่างได้เราจะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้ทํามานี้ล้วนเป็นของไร้สาระทั้งนั้นไร้สาระก็คือไม่เป็นประโยชน์กับจิตใจของเราเลยไม่เป็นที่พึ่งของใจเลยไม่สามารถดับความทุกข์ภายในใจของเราได้เลย แต่ความสงบที่เราได้รับจากการภาวนานี้แหละเป็นสิ่งที่สามารถดับความทุกข์ได้อันนี้แหละเป็นสิ่งที่เราต้องตั้งเป้าไว้ก่อนไปให้ถึงจุดนี้ให้ได้ก่อนน่าถึงจุดนี้ได้แล้วทีนี้ก็จะก้าวขั้นต่อไปได้อย่างง่ายดายก็คือจะสละทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองสละลาบยศสรรเสริญสละความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายออกบวช ด, ดัง ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงดําเนินมาได้พระพุทธเจ้าทําได้พระอรหันตสาวกทําได้พวกเราก็ทําได้เหมือนกันเพราะพระพุทธเจ้าก็ดีพระอรหันตสาวกก็ดีก่อนที่ท่านจะเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันตสาวกท่านก็เป็นปุถุชนธรรมดาเหมือนเรามีความโลภความโกรธความหลงเหมือนเรามีภารกิจต่างๆเหมือนเรามีพ่อมีแม่ มีพี่มีน้องมีสามีมีภรรยามีบุตรทิดามีญาติสนิทมิสหายเหมือนเราแต่ท่านไปได้เราก็ต้องไปได้เหมือนกันเราจะไปได้ก็ต่อเมื่อเราได้เห็นบ้านตัวอย่างก่อนเราต้องสร้างบ้านตัวอย่างนี้ให้หาบ้านตัวอย่างนี้ให้เจอวิธีที่จะเจอบ้านตัวอย่างนี้ก็คือต้องรักษาศีลแปดภาวนาฟังเทศฟังธรรมภาวนาไป เดินจงกลมนั่งสมาธิสลับกันไปในวันเวลาที่เราไม่ต้องไปทำภารกิจการงานต่างๆรับรองได้ว่าไม่ช้าก็เร็วก็จะได้พบกับบ้านตัวอย่างนี้อย่างแน่นอนพอได้พบแล้วก็จะมีกำลังใจที่จะตัดทุกสิ่งทุกอย่างออกไปหมดมีกำลังใจที่จะไปฟันฝ่าปฏิบตัติต่อสู้กับกิเลสตัณหาในรูปแบบต่างๆ จนสามารถทำลายกิเลสตัณหาทั้งหมดให้หมดไปจากใจได้ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ได้ทำภารกิจที่สำคัญอย่างยิ่งของชีวิตได้อย่างสมบูรณ์แบบถ้าได้เสร็จภารกิจอันนี้แล้วก็จะไม่มีภารกิจอันใด ท, ที่จะต้องทำอีกต่อไปเหมือนกับการเติมน้ำให้เต็มตุ่มแล้ว เมื่อน้ำเต็มตุ่มแล้วก็ไม่ต้องเติมน้ําอีกแล้วตุ่มนี้จะไม่มีวันน้ําจะไม่มีวันพร่องต่อไปเติมความสุขให้เต็มในหัวใจเป็นปรมังสุขขังแล้วก็ไม่ต้องเติมอีกต่อไปนี่คือเรื่องของการเข้ามาหาพระพุทธศาสนาเข้ามาเพื่อศึกษาเพื่อปฏิบัติแล้วก็เพื่อปฏิเวท คือบรรลุมรรคผลนิพพานหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเข้าสู่ปรมังสุขขังบรมสุขที่ไม่มีวันหมดไม่มีวันสิ้นอันนี้จะเป็นผลตอบแทนของการเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราไม่สีสละทุกสิ่งทุกอย่างไปเราก็จะไม่ได้สิ่งนี้เหมือนกับเวลาที่เราจะเติม น้ำชาลงไปในแก้วถ้าแก้วยังมีน้ําชาเก่าอยู่ถ้าเราไม่ยอมเทน้ําชาเก่าทิ้งไปก็จะไม่มีเนื้อที่สําหรับเทน้ําชาใหม่ลงไปถ้าเราอยากได้มรรคผลนิพพานอยากได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายเราก็ต้องทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่ที่เราเป็นอยู่ไปให้หมด เพื่อที่เราจะได้เอามรรคผลวิพาลเข้ามาแทนที่นั่นเองอการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอพักไว้ตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่รุปสองคนกลับขอบพระคุณท่านอาจารย์ช่วงที่แม่ไม่สบายได้ทำคสอนขอ ง, ขอ ง, ของ ท, ท, ท่านอาจารย์ไปปฏิบัติ ตลอดทั้งในแงของการดูแลแม่กายแม่ดูแลจิตแแล้วก็ดีตัวเองท<ช>ั้งสองคนก็ที่ประกาเปลี่ยนของกันบ้ า, างขณาจาังว่าที่ได้ปฏิบัติก็ปฏิบัติ ท, ทั้ง ใ, <ช>ในส่วนของสมถะในส่ของการพิจารณาแต่ในส่วนของสมถะก็เข้าใจว่าช่วงที่ที่ได้นั่งสมาธิกับแม่ก็ก็มีขกํกาวน้าขึ้นหอยแลคือว่าปกติเวลาไม่ไม่สมาธิที่ไ้จะ เข้าใจว่านิ่งดีขึ้นแต่ว่าไม่เคยเข้าใจว่าที่ที่ท่านอาจารย์สอนว่าเวลาที่เรานิ่งแล้วในบางขนาดนเหมือนเสียงข้างนอกเรารู้ว่ามันมีอยู่ประมาณในช่วงที่ที่นั่งสมาธิอยู่กับแม่ก็เริ่มมีประสบการณ์อะไรว่าเรารู้สึกว่ามีเสียงข้างนอกแต่ว่าเราไม่สนใจเสียงเราจะอยู่กับพุโทโธแล้วก็เราจะพักนิงก็อยากจะให้พุโทโธมาก็ก็ก ก็นั่งต่อไปเพราะว่าเปิดเปิดเทโทูไว้ให้แม่ฟังแล้วค่ะแล้วก็ในส่วนที่เป็นการพิจารณาก็าได้พิจารณาเทวทูตสอ ง, องค์ที่เจ้าอาจารย์สอนนกินก็คือว่าได้เห็นความเจ็บปวดู้ที่เป็นความจ็บปวดทค่อนข้นางชักก็ได้พิจารณาในขณะว่าในระยะเวลาเกิดขึ้นมีความแบ่งกล้าขนาดไหนาแล้วก็ได้พิจารณาความไม่สวยงามความเสื่อมของร่างกายเห็น ชาตน้ําที่ออกมาจากกายแล้วก็มีกลิ่นแฉงมีกลิ่นเทา้ามีกลิ่นอะไรก็รู้สึกว่ามีแต่ความไม่สวยของร่างกายได้เห็นว่าเวทานานี้เกิดขึ้นแล้วมันรุนแรงแต่ว่ามันก็มีโอกาสดับของมันในช่วงที่ดับิ ก, ก็ผ่อนคลายจ า, จากความตงเคียดจากเวทนานแล้วก็ได้เห็นแจ้งแจ้งสังขารว่าออตอน ท, ที่เวลามีกมารพิจารณาว่าเราดู่ตาย ว่าตับตายปลอดน้ำลาไส้เป็นยังไง ล, ละ่ะค่ะแม่ก็จะเห็นวนะ่าเออหนังกระดูกส่วนนี้เป็นลำไส้ก็พยายามพิจารณาต่อไปเ อ, อตอนช่วงที่แม่ใกล้จะด <c oughs> อก อ, องค์ประกอบของกายแม่ว่าเอธาตุน้ําค่อยๆค่อยๆไหลออกมาแล้วมันก็หยุดไหลเ อ, อในส่วนของธาตุดินที่ที่เ อ, อมันมันจะค่อยๆเสื่อมพอมันค่อยๆดับไปมันก็จะเป็นความเย็นเป็นความแข็ง ในส่วนของลมที่อยู่ในร่างกายมันก็จะ ก, กระชันขึ้นสั้นขึ้นเดินจากา่ท้องขึ้นไปเป็นปอดเป็นลำคอส่วนล่างลำคอส่วนบนเหลือแค่ประมาณทงจมูกแล้วก็เพื่อสุดท้ายดับไปดูการเคลื่อนไหวของลูกตาดำว่ามีการเอ่อกลับยังไงมีการเหลือขึ้นยังไงอันนี้เป็นเทวทูตองที่สี่ที่ท่านอาจารย์สอนลูกได้พ<ะ>ยายามดู จนกระทั่งแม่สิ้นใจไปก็ได้ดูร่างกายต่อไปว่าร่างกายนั้นถ้าดินค่อยๆเย็นลงจนเป็นเหมือนท่อนไม้สีหายไปลมหายไป้าไฟหายไปร่างกายแข็งลงแล้วก็ธาต่างๆก็พยายามจะสลายออกจากกันลูกดูสังเกตติดตัวเองว่าว่ามองอยู่ mm hmm. เห็นเขามาทำเออ มาทำศพมาฉีดยาเห็น เ, เขาพยายามจะกรีดเส้นตอนนั้นรู้สึกว่ า, าสังขารนี้ยังเป็นแม่เราอยู่รู้สึกสงสารว่าสังขารนี้เป็นแม่เร า, เ า, เาจิตตกลงไปก็บอกตัวเองว่านี่คือสังขารนี่คือดินน้ำลงไฟแต่ว่าพอเห็นเทวทดาทั้งสองอ ง, องค์ชัดๆแล้วก็ยังรู้สึกว่ามันไม่มีความเชื่อมต่อกันยังพอเห็นความเจ็บป่วยก็เห็นเป็นความเจ็บป่วย พอเห็นความตายก็เห็นเป็นความตายแต่ไม่เห็นเป็นคนแล้วก็ไม่เห็นว่าคนนั้นจะเป็นตัวเราหลังจากนั้นการพิจารณาก็ยังไม่สามารถเอาสิ่งที่ได้เห็นมาพิจารณาต่อได้รู้แค่ว่าอันนี้คือตัวอย่างที่เกิดขึ้นแต่ว่าเวลาที่พิจารณาจริงยังยังไม่เชื่อมต่อกันระหว่างระหว่างแต่ละกรณีแล้วก็กายแม่และกายตัวเจ้าค่ะ ก็เอามาสอนใจไปเรื่อยๆล้วต่อไปเวลาเกิดขึ้นกับตัวเราเองเราจะได้อรู้จักวิธีปล่อยวางร่างกายของเราต่อไปเราก็ต้องมองว่าร่างกายนี้ก็เป็นเพียงตุ๊กตาตัวหนึ่งเท่านั้นเองตุ๊กตากับเราก็เป็นคนเราส่วนกันตุ๊กตาเป็นอะไรเราไม่ได้เป็นอะไรไปกับตุ๊กตา ร่างกายเป็นอะไรเราไม่ได้เป็นอะไรไปกับร่างกายเราเป็นเพียงแต่เอาร่างกายนี้มาเล่นเหมือนเอาตุ๊กตามาเล่นเท่านั้นเองพิจารณาไปเรื่อยๆมันก็จะปล่อยวางแล้วมันก็จะไม่เกิดความเดือดร้อนกับการเป็นอะไรของร่างกายเช่นการเจ็บของร่างกายก็จะไม่เป็นปัญหาจะรับดูได้ เมือนกับตอนที่ทำสมาธิอยู่กับพุโทโธอะไรจะมาสัมผัสทางทวารต่างๆก็สัมผัสรับรู้ไปแต่ใจไม่ได้มีความวุ่นวายไปกับสิ่งที่มาให้สัมผัสรับรู้เราต้องฝึกนั่งให้มันเจ็บและเวลาเจ็บนี้ก็ใช้อุบายของสมาธิไปก่อน ดึงใจไว้อย่าให้ไปวุ่นวายกับความเจ็บของร่างกายให้ปล่อยไปอย่าไปสนใจให้อยู่กับพุทโธพุทโธไปความเจ็บก็จะไม่รุนแรงความเจ็บที่รุนแรงเพราะเราไปสร้างความเจ็บทางใจเพิ่มขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งที่รุนแรงกว่าความเจ็บทางร่างกายถ้าเราผ่านความเจ็บได้โดยอบายของสมาธิแล้ว คั้งต่อไปเราจะมีกําลังที่จะใช้ปัญญาพิจารณาความจจ็บของทางร่างกายว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาว่าเป็นสิ่งที่เราห้ามไม่ได้ห้ามไม่ให้เกิดไม่ได้สั่งให้ดับไม่ได้เขาเกิดก็ต้องรับรู้ไปตามความจริงของเขาถ้าเราไม่มีความอยากให้เขาดับหรือมีความอยากไม่ให้เขาเกิดใจของเราจะเป็นปกติ จะไม่ทุกข์จะไม่เดือดร้อนร่างกายจะเจ็บถึงขั้นขาดใจตายไปก็ไม่เป็นปัญหากับใจแต่อย่างใดถ้าเห็นด้วยปัญญาว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานี่คือขั้นตอนของการพิจารณาเวทนาทางร่างกายที่เราควรจะซ้อมกันอยู่บ่อยๆเวลานั่งแล้วเกิดความเจ็บปวดอย่าเพิ่งลุกถือลก หรือว่านี่เป็นโอกาสดีที่เราจะได้พิจารณาทุกขวเวทนาถ้าเราพยายามสู้ด้วยสมาธิหรือสู้ด้วยปัญญาสักวันหนึ่งเราก็จะปล่อยวางทุกขวเวทนาได้แล้วทุกขวเวทนาจะไม่เป็นปัญหากับเราอีกต่อไปอ จะให้พรก่อนนะเผื่อใครอยากจะกลับจะได้ไปได้ส่วนใครอยากจะอยู่สนทนาถามปัญหาอะไรต่อก็ค่อยว่ากันอีกทีนึง<ม>ยะทาวาไรวาหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวเมวะอิโตทินางเปตานาังอุปกัปรปติ อิชตังปัิตังตุหังคิปะเมวัสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกาปาจันโทปนะระโสยถามณโติระโสยถาสัพพิโยวิวัชานตุสัพพโรควินัสตุมาเตภวตวันตารยสุขีทีคายุโกภว อาพิวาธนสีฤทธนิจังอุทาปจายโนจตาโรธรรมมาวทานติอายุวโนาสุขังภาลาัลาาา ง, ง, งบบต่อเลยต่อไปเป็นคามถามเฟซุนะครับจากคุณวินนะครับ ผมพยายามทำสมาธิโดยดูลมหายใจเข้าออกแต่ก็ได้แค่ความสงบแต่ไม่ถึงขั้นสมาธิระดับลึกอย่างมากได้แค่ความรู้สึกถึงลมโดดเด่นออกมาแต่ก็เพียงชั่ววูบและก็มีความคิดแทรกเข้ามาต่ออยากทราบอยากกราบถามพระอาจารย์ว่ามีแนวทางปฏิบัติอย่างไรเพื่อให้ก้าวหน้าขึ้นบ้างครับอีกอย่างหนึ่ง คือผมก็พยายามจับลมหายใจในชีวิตประจําวันเวลาใครพูดสิ่งไม่ดีมากระทบก็จะรู้สึกถึงลมหายใจทันทีแต่จะมีอาการอึดอัดเหมือนกิเลสอยากพุ่งออกมาโต้ตอบเหมือนเจ็บกดมากไม่แน่ใจว่าทําถูกต้องไหมครับคำถามคำถามแรกก็คือให้ทําให้มากขึ้นไปทําให้บ่อยมากขึ้นทํามากขึ้นแล้ว ความสงบก็จะมีเพิ่มมากขึ้นไปเองเหมือนกับการเติมน้ำใส่ตุ่มถ้าตักน้อยน้ามันก็ไม่เต็มหรือเต็มช้าถ้าตัก บ, บ่อยๆตักมากๆเดี๋ยวน้ำมันก็เต็มก็จะรังสติอาณาปนาสติไปเรื่อยๆ เ, เพิ่มมากขึ้นแต่จะรู้สึกว่ายากถ้าทำในขณะที่ทำภารกิจต่างๆ ถ้าทำภารกิจต่างๆควรใช้กายกตาสติคือเฝ้าดูการกระทำของร่างกายอย่าปล่อยให้ใจไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้หรือถ้าควบคุมความคิดไว้ไม่ได้ก็ให้ใช้การบริกรรมพุทโธพุทโธไปในขณะที่ทำภารกิจต่างๆถ้าไม่ถูกกับพุทโธจะสวาขาโตสุปฏิปโนสวดมนต์ไปก็ได้ หาหาอุบายอย่างใดอย่างหนึ่งที่จะดึงใจไว้ไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆการควบคุมใจในเบื้องต้นนี้จะรู้สึกอึดอัดเป็นธรรมดาเพราะกิเลสกาจะต่อสู้เป็นเหมือนกับการชักกะเยอกกันฝ่ายหนึ่งก็จะดึงไปทางหนึ่งอีกฝ่ายหนึ่งก็จะดึงมาอีกทางทั้งสองฝ่ายก็จะเกิดความตึงเครียดขึ้นมา ความอึดอัดก็คือผลที่เกิดจากการต่อสู้ระหว่างสติกับกิเลสนี่เองแต่ถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยอมแพ้แล้วความตึงเครียดนี้ความอึดอัดนี้ก็จะหายไปถ้าเราหยุดภาวนาปับ๊บความอึดอัดก็จะหายไปถ้าไปนั่งดูทีวีนั่งเป็นชั่วโมงก็จะไม่รู้สึกอึดอัดแต่อย่างใดเพราะไปทางเดียวกันไปทางกิเลสด้วยกันไม่มีการต่อสู้กัน การอึดความอึดอัดก็จะไม่มีหรือว่าถ้าเราสู้จนกระทั่งกิเลสยอมแพ้ความอึดอัดก็จะหายไปจิตก็จะรวมเข้าสู่ความสงบนี่แหละเราต้องทำให้ถึงจุดนั้นให้ได้ถึงจุดที่กิเลสยอมแพ้เลิกต่อต้านพอกิเลสยอมแพ้เลิกต่อต้านแล้วความอึดอัดความตึงเครียดต่างๆภายในใจจะหายไปเหมือนเป็นพลิกหน้ามือเป็นหลังเบือไปเลย เวลาต่อสู้กับกิเลสนี่โอ้โหเหมือนกับตกนรกทั้งเป็นพอกิเลสยอมแพ้ปั๊บเหมือนขึ้นสวรรค์นั่งจะรวดขึ้นสวรรค์พด่ขึ้นไปเลยเนี่ยมันรวดเร็วอย่างนั้นมันสงบมันเบามันสบายนี่แหละคือปัญหาของพวกเราคือพวกเราเวลาเจอความอึดอั ด, อดเจอความตึงเครียดแล้วเราก็สู้ไม่ไหวกันไม่ยอมทำงานต่อ ไม่ยอมภาวนาต่อยอมแพ้ก็เลยไปไม่ถึงไหนเวลามาถึงจุดนี้ที่ลายก็ยกธงขาวก็เลยยังไม่ได้เอาชนะกิเลสสักครั้งหนึ่งถ้าลองได้ชนะกิเลสสักครั้งหนึ่งแล้วเนี่ยมันจะมีกําลังใจมากที่จะทำให้มากยิ่งขึ้นฆ่ากิเลสตัวที่ใหญ่ขึ้นไปเรื่ยอยๆจนกระทั่งถึงหัวหน้ามันเลย อันนี้เราอย่าแพ้อย่างที่หลวงตาท่านพูดไว้ว่าสู้ไม่ถอยอันนี้แหละเป็นคําที่เราควรที่จะดําลึกอยู่เรื่อยถ้าจะสรุปคําสอนของหลวงตาว่าอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนี้แหละอยู่ตรงที่สู้ไม่ถอยถ้าสู้ไม่ถอยมันก็ต้องชนะเท่านั้นแหละถ้าถอยมันก็แพ้ไปตลอดนี่คือคําตอบ ไม่รู้เขาข้อที่สองคงจะตอบพร้อมๆกันไปนลใครมีอะไรอยากจะถามหรืออยากจ ะ, ะพูดไหมว่ามาที่ทีอาจารย์พูดถึงก่อนหน้านี้นะที่าเบอกว่าถ้าเราผ่านงานข้อนี้ไปได้แล้วเวทนาตัวอื่นก็จะมไม่นี้นค้ามท่แคลนนะคะไม่เวทเวทนามีแต่เราไม่กลัวมันเราอยู่กับมันได้ มันเป็นเพื่อนเราแล้วเมื่อก่อนมันเป็นศัตรูกับเราตอนนี้เรารู้จักวิธีทาเวทนาให้เป็นเพื่อนเราอยู่อย่างสบายเหมือนกับอยู่กับเสืออยู่ในกรงเสือได้เพราะเสือกับเราเป็นเพื่อนกันแล้วเรารู้ว่าเสือไม่กัดเราแล้ว mm. ความจริงเสือไม่ไม่กัดเราหรอกไอ้ที่กัดเราคือตัวเราเองกัดตัวเราเอง mm. คือตันหาความอยากของเราเที่เป็นข้าศึกศัตรูกับเรา เวทนานี้ไม่ใช่เป็นข้าศึกศัตรูกับเราเขาไม่คิดทำร้ายเราเขาทำร้ายเราไม่ได้แต่ผู้ที่ทำร้ายเราก็คือตัญหาความอยากของเราเองความอยากที่จะให้เวทนานี้หายไปอันนี้ต่างหาคือสิ่งที่จะหายไปคือทุกขเวทนาจะไม่เกิดขึ้นในใจอีกต่อไปไม่ว่าร่างกายจะเจ็บปวดถึงขั้นขาดใจตายก็ไม่เป็นปัญหากับใจ เวทนานี้ยังมีอยู่พระพุทธเจ้าพระอาหารหันต์นี่ยังต้องเสพทุกขเวทนาทางกายด้วยกันทุกคนอย่างที่หลวงตาท่านเล่าเวลาที่ท่านาพระพุทธเจ้ า, าสําเร็จดําเนินไปแล้วเกิดส่งอาการเหนื่อยทางพระวรากายก็บอกให้อานอนท์เจอช่วยปูสังคติให้เรานอนพักสักหน่อยหานา ม, มาให้เราดื่มสักหน่อยอันนี้เป็นเรื่องทุกขเวทนาทางร่างกายทุก ทางใจไม่มีทุกร่างกายของพระพุทธเจ้ากับร่างกายของปุตตชนธรรมดาอย่างพวกเราเหมือนกันไม่มีวไม่เปลี่ยนแปลงเป็น พ, บพบระพุทธเจ้าแล้วหรือเป็นปุตุชนก็มีความเจ็บทางร่างกายเหมือนกันมีโครคภัยไข้เจ็บเหมือนกันถ้าจะเป็นโรคมะเร็งก็เป็นได้เป็นอะไรก็เป็นได้เหมือนกันแต่ใจไม่ได้ไปทุกข์กับความเจ็บของร่างกายเท่านั้นเอง พอผ่านได้เราก็จะรู้วิธีปฏิบัติกับทุกเขเวทนาทางร่างกายที่จะทำไม่ให้เกิดความทุกข์ทางใจอันนี้ต่างหากที่เราต้องการคือรู้จักวิธีที่ดับความทุกข์ทางใจเราดับความทุกข์ทางร่างกายไม่ได้ความทุกข์ทางร่างกายมีเหตุมีปัจจัยของเขาที่ทำให้เขาเกิดแล้วทำให้เขาดับไปเช่นเดินไปเตะหินมันก็เกิดอาการเจ็บขึ้นมาที่เท้า เดินไปถูกใครเขาทุบศีรษะเอาก็เจ็บที่ศีรษะรับประทานอาหารที่เป็นพิษก็เกิดอาการเจ็บท้องปวดท้องขึ้นมาอันนี้เป็นเรื่องของร่างกายที่ไม่ว่าจะเป็นใครก็ต้องเจอด้วยกันทุกคนแต่เวลาเกิดความเจ็บทางร่างกายแล้วใจจะทุกข์หรือเปล่าอันนี้ต่างกันผู้ที่รู้จักวิธีปฏิบัติกับความเจ็บทางร่างกายจะไม่ทุกข์ทางใจผู้ที่ไม่รู้จักการปฏิบัต กับความเจ็บทางร่างกายจะเกิดความทุกข์ทางใจมาป ร, ประสมประสานด้วยโดยทําให้ความทุกข์ทางร่างกายนี้รู้สึกรุนแรงมากมากกว่ามากขึ้นจนทนไม่ไหวที่ทนไม่ไหวไม่ใช่เพราะความเจ็บทางร่างกายแต่ความทุกข์ทางใจขันห้าของพระพุทธเจ้ากับของปุตรชนธรรมดานี้เหมือนกัน เป็นแต่ว่าขันห้าของพระเจ้านี้ไม่เป็นเครื่องมือของกิเลสตัณหาแล้วแต่ขันห้าของบุทรชนนี้ยังเป็นเครื่องมือของกิเลสตัณหาอยู่กิเลสยังใช้เครื่องขันห้านี้เป็นเครื่องมือสร้างความทุกข์ให้กับใจเพราะยังมีความอยากให้ขันห้านี้เที่ยงนั่นเองอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย พอเวลาเกิดความแก่ความเจ็บความตายขึ้นมาก็เกิดความทุกข์ใจเกิดความเศร้าโศกเสียใจขึ้นมาแต่พระพุทธเจ้าพาาาระอรหันตสาวกนี้ไม่เศร้าโศกเสียใจกับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายจะรู้สึกเฉยเฉยเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นร่างกายอยู่ร่างกายตายนี้เท่ากันใจสูนใจนิ่งใจไม่บวกไม่ลบ แต่ถ้าเป็นกิเลสนี้จะบวกจะลบเวลาไม่สบายไม่สบายแล้วหายนี่โอ้โหใจบวกขึ้นมาเลยดีออกดีใจกันใหญ่เวลารักษาไม่หายใจตายไปใจก็ดิ่งติดลบเข้าไปเลยเหมือนหุ่นตอนนี้ดิ่งลงเหวเวลาหุ่นดิ่งลงนี่ใจก็ดิ่งลงตามทุกกันตามไปหมดเวลาหุ่นขึ้นก็โอ้โหใจก็หาเหินเดินอากาศตามกันไปหมด อันนี้นหละเป็นกิเลสเข้าใจไหเป็นเครื่องของกิเลสคนที่ไม่เล่นหุ้นก็ไม่เนเดือดร้อนเลยขึ้นก็ขึ้นหลงก็หลงไม่รู้ไม่เข้าใจมันต้องไปดีใจเสียใจกับอะไรต่างกันตรงนั้นขันห้ายังมีเหมือนเดิมตั้งแต่วันวันเพ็ญเดือนหกที่พระเจ้าทรงตัดจะรู้แล้วขันห้าของพระพุทธเจ้าก็ยังเป็นเหมือนเดิมก่อนวันเพ็ญเดือนหกอยไม่มีวันไม่มีความแตกต่างกันเพียงแต่ว่าเป็น เป็นเป็นขันที่ไม่มีกิเลสตัณหามาครอบครองแล้วนะครับปล่อยให้เป็นขันทำธรรมชาติปล่อยให้เกิดให้ดับไปเป็นตามธรรมชาติของเขาใจไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายไม่แบกขันห้าอย่างเี่ยพาละหเวนี้ไม่แบกแบบกิเลสตัณหาแต่ยังต้องแบกแบบตามภาวะอยู่คือยังต้องเลี้ยงนั่งกาย ต้องหาอาหารหาน้ำหายามาดูแลรักษาร่างกายอยู่อันนี้ก็เป็นภาระเหมือนกันแต่ไม่เป็นภาระเหมือนกับอุปทานของกิเลสตัณหาอันนี้อุปทานนี้ภาระใหญ่เป็นทุกข์อันยิ่งใหญ่แต่ภาระของพระผู้ที่หลุดพ้นแล้วนี่เป็นภาระเพียงเล็กน้อยแต่ก็ยังเป็นภาระอยู่ แต่ก็ไม่เหนือบาปฝ่าแรงแบกได้ก็แบกไปดูแลได้ก็ดูแลไปถ้าไม่สามารถดูแลได้ก็ปล่อยเขาไปตามความจริงของเขาก็เท่านั้นเองผู้รู้ผู้รับผู้แบกนี่ไม่ได้เดือดร้อนกับการหมดไปของขันห้าของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ กับมีความสุขมากกว่าสิมีความสบายอยู่กับปรมังสุญอย่างอยู่กับความว่างไม่มีอะไรมีแต่สักแต่ว่ารู้มีแต่ปรมังสุขทังไปตลอดนี่คือจิตที่เราจะทำให้เป็นไปได้เหมือนกับเจรนายเพชรจิตจะเป็นเพชรน้ำหนึ่งก็ตอนนี้ จุดนี้แหละที่เป็นเพชรน้ำหนึ่งเป็นธรรมทั้งแท่งเรียกว่าได้เจรนายกำจัดสิ่งที่สกรปรกออกจากเพชรไปหมดแล้วเหลือแต่เพชรล้วนๆเพชรน้ำหนึ่งเป็นอย่างนั้นใจที่เป็นธรรมทั้งแท่งก็เป็นอย่างนี้ไม่มีกิเลสเครื่องเศร้าหมองหนงเหลืออยู่ภายในใจอันนี้เป็นผลที่จะเกิดจากการศึกษาปฏิบัติของพวกเรากัน เกิดขึ้นกับทุกคนใครก็ตามถ้าได้ศึกษาได้ปฏิบัติตามแนวาทางที่พระพุทธเจ้าทรงสอนทรงบําเพ็ญมาแล้วนี่จะต้องได้ผลอย่างนี้เหมือนกันจะได้เพชรน้ำหนึ่งเหมือนกันพระทยัยของพระพุทธเจ้าความบริสุทธิ์ของพระทัยของพระพุทธเจ้ากับความบริสุทธิ์ของใจของพระสาวกทั้งหลายนี้เท่ากันสะอาดบริสุทธิ์เป็นเพชรน้ำหนึ่งเท่ากันหมด ที่ต่างกันก็คือวาสนาบารมีถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนอาหารที่นำม า, านามานามาประกอบถ้าของพุทธเจ้าก็เป็นเหมือนอาหารที่ขายในวังถ้าของสาวกก็อาจจะขายข้างถนนคือวาสนาไม่เท่ากัน แต่ก็อร่อยเหมือนกันกินแล้วก็อิ่มเหมือนกันกินส้มตําข้างถนนก็อิ่มเหมือนกันกินส้มตําในวังก็อิ่มเหมือนกันแต่วิธีประดับประดาวิธีเสิร์ฟนี่จะต่างกันจะมีจานมีช้อนมีมีมีโต๊ะมีตั้วลายต่างๆแต่ถ้าเสิร์ฟข้างถนนก็ก็อะไรก็ได้ยืนก็ได้นั่งก็ได้ใส่จานก็ได้ใส่กระทงก็ได้ อยากรับประทานเข้าไปแล้วก็อิ่มเหมือนกันนี่คือความแตกต่างระหว่างพระสาวกกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงมีพระบารมีประดับมากกว่าพระสาวกปัญญาบา ร, รมีก็สูงสุดอสมาธิก็สูงสุดทรงเป็นทั้งเจโตทรงเป็นทั้งเจโตวิมุตติกับวิปัสสนาวิมุตติหรืออะไรปัญญาวิมุตติ คือเก่งทั้งทางด้านปัญญาเก่งทั้งทางด้านสมาธิมีอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์ครบทุกอย่างภาษาโลกนี้จะเก่งไปในทางใดาทางหนึ่งเท่านั้นเทศภาษาสารีบุตรก็จะเก่งไปในทางปัญญาลองจากพระพุทธเจ้าเท่านั้นพระโมคคัลลานี้ก็จะเก่งไปทางอิทธิฤทธิปาฏิหารลองจากพระพุทธเจ้าพระสีวลีก็จะเก่งไปในทางทานบารมี แต่ก็ลองจากพระพุทธเจ้านี่คือการเปรียบเทียบถึงเรื่องของวาสนาบารมีแต่เรื่องจิตใจความบริสุทธิ์ของจิตใจนั้นเท่ากันหมดเหมือนกันหมดความสามารถในการเผยแผ่สั่งสอนของแต่และองค์แต่และท่านจึงไม่เหมือนกันองค์ไนถ้าเก่งทางปัญญาองค์นั้นแหละจะเป็นผู้ที่เผยแผ่สั่งสอนความรู้ได้กว้างขวาง เพราะปัญญานี่แหละเป็นตัวที่จะนำเอาธรรมะที่ลึกลับซับซ้อนนี้มาแจงมาแยกมามาเสนอให้เห็นได้อย่างชัดเจนผู้ที่ไม่มีปัญญาหรือมีปัญญาน้อยก็จะไม่สามารถที่จะเอาธรรมะที่ลึกลับซับซ้อนนี้มาแสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจน พระเจ้าจึงทรงยกย่องพระสาวริบุตรว่าเป็นอัคคสาวกส่วนพระโมคคัลลานี้ทรงยกย่องว่าเป็นอัคคะลาสาวกซ้ายพระสาวริบุตรนี้อัคคสาวกขวาเพราะปัญญานี้สําคัญกว่าแต่ทั้งทั้งพระสาวริบุตกับพระโมคคัลลานี้ก็มีปัญญาสําหรับการฆ่ากิเลสบรรลุเป็นตั้งได้เหมือนกัน แต่ภาษาลิบบท์มีมากกว่านั้นคือถ้าเปรียบกับการเรียนหนังสือก็คือสอบผ่านเหมือนกันแต่คนหนึ่งได้แค่สองจุดอีกคนหนึ่งได้สี่จุดเนี่ยก็ผ่านเหมือนกันวิชานี้ผ่านเหมือนกันแต่คนที่ได้สี่จุดนี้จะรู้ลึกกว่ารู้กว้างกว่ารู้มากกว่าคนที่ผ่านด้วยคะแนนสองจุดส่วนพระโมกคะาก็ผ่านทางอิทธิฤทธิปฏิหารสี่จุดภาษาลิบบท์ก็ได้แค่สองจุด ได้แค่สมาธิที่จะทำให้จิตสงบเพื่อเป็นฐานของปัญญาเท่านั้นแัน้นเราอย่าไปกังวลกับเรื่องเจโตวิมุตต์หรือปัญญาวิมุตต์ให้มากจนเกิดไปให้รู้ว่ามันเป็นเรื่องของวาสนาของแต่ละท่านที่เคยสะสมมาในอดีตแต่ทุกคนจะต้องมีสมาธิมีปัญญาในระดับที่ฆ่ากิเลสให้ได้ด้วยกันทุกคน ถึงจะบรรลุมากผลนิผ่านกันได้แต่ถ้ามีมากกว่านั้นก็ถือว่าเป็นโบนัสเป็นของแถมไปเท่านั้นเองก็เพื่อเอาไปทำประโยชน์ให้แก่โลกต่อไปะอาจารย์ครับมีคำถามส่วนตนัวรอยากถามครับคือว่าหน้าที่ของผู้ปฏิบัติเนี่ยคือการฆ่ากิเลสสู้กับกิเลสด้วยจุดหมายนะครับ ใ, ในขณะที่บุคคลอีกจําำพวกหนึ่งเนี่ยที่มีหน้าที่ธนุบำรุงเพื่อพุทธศาสนาเนี่ยครับถ้าเกิดวันหนึ่งเนี่ยเขาต้องการจะก้าวไปในงานที่ใหญ่กว่านั้นในขณะที่งานปัจจุบันเนี่ยมีความสุขดีอยู่แล้วแต่หากว่าต้องก้าวไปที่งานใหญ่กว่านั้นเนี่ยมันอาจจะต้องแลกมาด้วยความทุกข์ซึ่งอาจจะทําให้เกิดกรรมบาปได้ดังนั้นหน้าที่ของผู้ปฏิบัติเนี่ยจะต้องลุยต่อไปเพื่อ ยอมให้ตนเองอาจยอมให้คนอื่นสบายในขณะที่ตนเองลำบากหรือว่าให้อยู่ที่ระดับเดิมออยู่กับกรรมดีไปก่อนครับอาจารย์คือการที่เรามองอย่างนี้เป็นการมองที่ไม่ถูกเราไปมองว่าการทําประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นนี้เป็นสิ่งที่จําเป็นจะต้องทําความจริงแล้วการทําประโยชน์ให้กับเรานี้สําคัญกว่าทําประโยชน์ให้แก่ผู้อื่น เาะใครจะมาทําประโยชน์ให้กับเราได้ประโยชน์ที่เราต้องการก็คือที่พึ่งทางใจนี้ไม่มีใครทําแทนใครได้ประโยชน์ที่เราทําให้แก่ผู้อื่นหรือผู้อื่นทําให้กับเรานี้เป็นเพียงประโยชน์ชั่วคราวเป็นประโยชน์ทางร่างกายเท่านั้นเองไม่มีไม่มีคุณประโยชน์อะไรแก่จิตใจเลยนี่คือความเห็นผิดของเราเราไปเห็นว่าการทําประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นทางด้านร่างกายนี้ เป็นสิ่งที่สําคัญจนลืมไปว่าการทําประโยชน์ให้แก่จิตใจนี้สําคัญกว่าเราต้องดูพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างพระพุทธเจ้าทรงเห็นว่าการทําประโยชน์ของทางร่างกายนี้ไม่สําคัญจึงทรงตัดภาระเรื่องการดูแลผู้อื่นไปได้แล้วก็มุ่งไปทําประโยชน์ทางจิตใจพอทรงเสร็จประโยชน์ทางจิตใจแล้วก็กลับมาช่วยผู้อื่นได้อย่างแท้จริง มาช่วยให้เขาได้รับประโยชน์ทางจิตใจช่วยให้พ่อให้แม่ได้บรรลุมรรคผลนิพพานกันช่วยให้ญาติสนิทมิตรสหายช่วยให้บุตรได้บรรลุมรรคผลนิพพานกันอันนี้แหละเป็นการช่วยที่ถูกต้องต้องช่วยแบบพระพุทธเจ้าคือต้องช่วยตนเองก่อนต้องทําที่พึ่งทางใจของตนให้สําเร็จก่อนเมื่อสําเร็จแล้วก็ค่อยกลับมาช่วยผู้อื่นให้เขาได้ที่พึ่งทางใจต่อไป ถึงแม้เขาตายไปแล้วยังสามารถไปช่วยเขาได้เพราะพระพุทธเจ้าส่งไปโปรดพระพุทธมารดาได้บนในบุญสวรรค์ได้ทั้งๆ ท, ท, ที่พุทธมารดาได้ตายไปแล้วต้องสามสิบกว่าปีด้วยกันแต่ก็ยังสามารถโปรดพระพุทธมารดาได้สอนธรรมะให้บรรลุเป็นพระโสดาบันได้อันนั้นไม่ต้องกลัวทิ้งพ่อทิ้งแม่ทิ้งลูกทิ้งเมียไปนี่ไม่ได้เป็นการทําบาปทํากรรมแต่อย่างใดน เป็นการไปช่วยเขาโดยที่เขาไม่รู้ว่าเราไปทำเพื่อเขาคือเราไปสร้างที่พึ่งทางใจให้กับเราก่อนเมื่อเราได้ที่พึ่งทางใจแล้วเราก็กลับมาสร้างที่พึ่งให้กับเขาช่วยเขาสร้างที่พึ่งทางใจต่อไปดูพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างดูครูบาอาจารย์เป็นตัวอย่างแม้แต่หลวงตาท่านก็กลับมาสร้างที่พึ่งทางใจให้แก่มารดาของท่านกับน้องสาวของท่านเห็นไหม ถ้าท่านไม่ออกบวชเขาจะได้หรือเปล่าเขาจะได้ที่พึ่งทางใจหรือเปล่าเขาก็อย่างมากก็อยู่ไปสุขสบายทางร่างกายแล้วก็ตายไปแต่ประโยชน์ทางด้านจิตใจนี้เขาไม่ได้รับเลยเขาก็ยังต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดเหมือนเดิมอยู่แตนี่อาจจะไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปแล้วก็ได้ถ้าท่านได้บรรลุธรรมขั้นสูง แม้แต่อ่าสิ่งที่ทําเนี่ยเป็นการทําให้ผู้อื่นเห็นธรรมเนี่ยยังไงก็ต้องเอาตัวเองไว้ก่อนใช่ไหมนะครับอาจารย์ถ้าเราไม่เห็นธรรมเราจะบใบ่อยคนอื่นเห็นธรรมได้ยังไงถ้าเราตาบอดเราจะบอกว่านี่หมานี่วัวได้ยังไงเราต้องลืมตาก่อนเห็นก่อนแล้วค่อยบอกเขาว่านี่นี่หมานี่วัวเอนี่คือปัญหาตอนนี้ตาเรายังมืดบอดอยู่เรายังไม่มีดวงตาเห็นธรรม ยังไม่เห็นนรกเห็นสวรรค์ยังไม่เห็นการเวียนว่ายตายเกิดยังไม่เห็นวิธีที่จะหยุดการเวียนว่ายตายเกิดอันนี้เราต้องเห็นก่อนทําก่อนเมื่อเห็นแล้วทําได้แล้วทีนี้ก็มาบอกคนอื่นพอเราเห็นแล้วบอกแล้วเนี่ยเขาจะทําตามเราได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วตอนนี้เราเป็นเหมือนคนตาบอดนําคนตาบอดช่วยกันแบบ คนตาบอดช่วยกันหรือคนจมน้ําคนว่ายน้ําไม่เป็นกอดกันช่วยกันก็จมด้วยกันทั้งคู่ไปไม่ถึงฝัง่งแต่ถ้าเราว่ายน้ําไปฝัง่งแล้วรีบไปเอาเรือกลับมาเราก็จะช่วยคนที่ลอยคออยู่ในน้ําได้แต่อย่าไปคิดว่าการออกบวชการปฏิบัติธรรมขั้นสูงนี้เป็นการทํำบาป ท, ทากรรมเป็นอันกาดอันนี้เป็นการไปเฮา ไปไปไปไปเอาเครื่องมือที่จะมาช่วยเหลือคนที่เขาต้องการความช่วยเหลือไปเอาเรือมารับคนที่ลอยคออยู่ในน้ำเราต้องว่ายไปถึงฝัง่งพอได้ถึงฝั่งแล้วเราก็เอาเรือออกมาแล้วเราก็มารับคนที่ลอยอยู่ในน้ำขึ้นเรือมาถึงฝั่งได้ใครคิดสมอว่าเราตายไปวันนี้แล้วเขาจะอยู่กันได้หรือเปล่า เราบาปหรือเปล่าถ้าเราตายไปทิ้งเขาเราเคยดูแลเขาเลี้ยงดูเขาแต่พอเราตายไปนี่ไปการกระทาบาปหรือเปล่ามันไม่ได้เป็นการกระทำบาปเพียงแต่ไม่ได้ทำบุญเท่านั้นเองแต่ก็เป็นบุญเศษบุญเท่านั้นเองการช่วยเหลือคนอื่นเป็นบุญส่วนย่อยบุญส่วนใหญ่ต้องอยู่ที่การภาวนาเมื่อเช้านี้ก็พูดถึงบุญสิบประการ การรับใช้ผู้อื่นการสงเคราะห์ผู้อื่นนี่ก็เป็นบุญเหมือนกันทำให้เรามีความสุขใจแต่ไม่สามารถที่จะยุติการเวียนว่ายตายเกิดดับความทุกข์ใจให้หมดไปได้ต้องการภาวนาถ้าเพียงอย่างเดียวเท่านั้นถึงจะทำได้ถ้าจะภาวนาได้ก็ต้องมีศีลมีทานเป็นผู้สนับสนุนทานก็คือต้องสละทุกสิ่งทุกอย่างไป สละลาบยศสระเสริญสละสามีภรรยาสละพ่อสละแม่สละบุตรที่ดาไป mm hmm. ขอให้เราคิดว่าเราตายจากเขาไปแล้ว mm hmm. เขาต้องอยู่ของเขาเองแล้วเขาต้องช่วยตัวเขาเองแล้ว mm hmm. ถ้าเราสมมติว่าเราตายไปวันนี้ mm hmm. เขาก็จะทำยังไงเขาก็ต้องช่วยตัวเขาเองต่อไป mm hmm. ช่วยได้มากช่วยได้น้อยก็อยู่ที่กำลังของเขาถ้าช่วยได้มากก็อยู่ได้นานหน่อย ถ้าช่วยได้น้อยก็อยู่อยู่ไม่ได้นานแต่ผลก็คือตายเหมือนกันนังนั้นเรื่องเรื่องขังทางร่างกายนี้อย่าไปกังวลมากจนเกินไปจนกลายเป็นอุปสรรคที่จะมาทาให้เราไม่สามารถก้าวสู่การปฏิบัติทำขั้นสูงได้ต้องระลึกถึงพระพุทธเจ้าถึงพระอรหันตสาวลกอยู่เรื่อยๆดูท่านเป็นแบบเป็นฉบับ ท่านก็มีพ่อมีแม่มีสามีมีภรรยามีบุตรมีทิดามีทรั พ, มรพสมบัติเข้าของเงินทองที่จะต้องคอยดูแลแต่ท่านก็สลับได้หลวงปูพ่พรมท่านก็มีเป็นเศรษฐีท่านก็สละสมบัติทั้งหมดแจกใจ่ายให้ชาวบ้านไปหมดใครอยากได้วัวได้ควายก็มารับไปใครอยากได้นาก็เอาเอาไปท่านกับทท่านกับภรรยาจะออกบวชกัน ท่านก็บวชเป็นพระติดตามหลวงปู่มั่นศึกษากับหลวงปู่มั่นจนในที่สุดก็ได้บรรลุกระดูกของท่านกกลายเป็นพระธาตุไปแล้วท่านก็กลับมาสั่งสอนผู้อื่นต่อไปพาผู้อื่นได้เข้าสู่มรรคผลนิพพานกันเป็นจํานวนมากครูบาอาจารย์ทุกลูกท่านทําอย่างนี้ทั้งนั้นเหมือนกันหมดดงั้นถ้า ถ้าการออกบวชการปฏิบัติธรรมนี้เป็นการทําบาปนั้นครูบาอาจารย์ทั้งหมดนี้ก็ต้องเป็นผู้ทําบาปกันมากมไม่ได้ทําบาปเพียงแต่ว่าไม่ได้ทําบุญส่วนนั้นคืออาจจะไม่ได้ทดแทนบุญคุณของพ่อแม่ในตอนนั้นแต่มันก็อาจจะเป็นระยะสั้นๆเท่านั้นเองถ้าปฏิบัติจริงๆพระเจ้าก็ทรงตัดเวลาว่าเจ็ดปีเป็นอย่างมากเหมือนกับไปเรียนหาวิทยาลัยสี่ปีก็จบมาได้ ทำไมเวลาเราเป็นศึกษาต่างประเทศทำไมเราไม่ได้คิดว่าเราทอดทิ้งพ่อแม่หรือทอดทิ้งภารกิจการงานต่างๆเราไปศึกษาเพื่อเราจะได้วิชาความรู้เพื่อที่เราจะได้มารับใช้พ่อแม่ต่อไปมาดูแลพ่อแม่เราต่อไปอันนี้ก็เหมือนกันเราไปบวชแล้วก็เพื่อเราก็ไปศึกษาเพื่อที่จะได้ความรู้มาดูแลทางจิตใจมาช่วยเหลือพ่อแม่ทางจิตใจที่สําคัญกว่าทางร่างกาย เพราะจิตใจไม่ได้ตายไปกับร่างกายถ้าจิตใจไม่ได้รับการดูแลจิตใจก็ยังต้องทุกข์ต่อไปต้องไปเวียนว่ายตายเกิดต่อไปแต่ถ้าจิตใจได้รับการดูแลถึงแม้ว่ายังไม่ได้ถึงขั้นที่หยุดการเวียนว่ายตายเกิดก็จะไม่ต้องไปเกิดในอบายอย่างพุทธมารดานี้ได้บรรลุเป็นพระโสดาบัน ก็ไม่ต้องไปเกิดแนาบาปและมีพบชาติไม่เกินเจ็ดชาติเป็นอย่างมากก็จะบรรลุเป็นพระอาหารหันต์ได้อันนี้ไม่ดีกว่าเลยการกระทำแบบพระพุทธเจ้านี้ไม่ดีกว่าการกระทำแบบของเราเลยที่เรายังต้องมาคอยดูภารกิจการงานรับสมบัติเข้าของเงินทองของพ่อแม่ดูแลครอบครัวดูภรรยาดูลูกแล้วเราได้อะไรจากการดูแลสิ่งเหล่านี้ เราก็ได้แต่ความทุกข์เวลาที่เขาแก่เขาเจ็บเขาตายจากเราไป <Yeah. S 1> เข้าใจไหม mm hmm. มีอยากจะถามอะไรไหมเวลาเราปฏิบัติเราไม่เคยคิดถึงเรื่องเหล่า น, นี้เลยนะแปลกเรามุ่งไปที่การปฏิบัติของเราอย่างเดียวใครจะเป็นใครจะตายอย่งนก็ไม่สนใจ เขากลับเป็นห่วงเป็นใยเราแต่เรากลับไม่ห่วงเขาคิดว่าเราเป็นบ้าสิได้ทั้าไปก็ไปเรียนนอกเมืองนามาทําไมกลับมากลายเป็นเหมือนคนขอทานอยู่แบบคนขอทานอยู่ว่าเราสุขของราแบบนี้เนี่ยแต่เราไม่ขอใครใครเขากินก็แล้วกัน เราอยู่แบบขอทานคือเราอยู่แบบประหยัดมัธยัสถ์แต่งกายแบบเรียบง่ายกินแบบง่ายๆยนอนแบบง่ายๆ่ายก็ออรายกายเป็นเหมือนว่าเราเป็นขอทานไปจะสังเกตที่ดูนะคะว่าลุ้นแล้วแต่ลงที่ท่านบรรเป็นคระสุดท้ายของท่านคืบารมีที่จเด็กเดี่ยวมากเลยนะค่ะและในบารมีศึกของผู้ยสันนน ก่อนท่านจะบรรลุเป็นพระคสมาสมัยพระองค์สมานะโดงในชาติสุดท้ายนี่เป็นเขาให้จนอนที่สละทุกอย่างเพื่อแบบคนทั้งหลายอืกหนึ่งือว่าต้องทําให้คนอื่นมีความสุขก่อนเพื่อที่ยาวุ่นเนี่ยเป็นทุตโพธิญาตอใบท่าไม่ได้ทำเพื่อใคนอื่นมีความสุขท่านทําให้ท่านมีความสุขต่างหากโดยการให้ท่านไม่ได้มุ่งไปที่คนอื่นท่านมุ่งไปที่ใจของท่านเวลาท่านให้แล้วท่านมีความสุข ท่านต้องการจะให้เพแต่รอให้คนมารับเท่า น, นั้นเองพอมีคนมารับท่านก็ให้เลยท่านไม่ได้ไปตั้งเป้ากว้านไปช่วยคนนู้นช่วยคนนี้หรอกไม่ใช่อันนี้เป็นการมองผิดกันให้ความสุขเพราะท่านต้องการสละท่านไม่ต้องการที่จะมีความยึดติดในทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองท่านไม่ได้ไปมุ่งเพื่อให้ทุกคนมีความสุขหรอกแบบที่คนเขาคิดกันทุกวันนี้ว่า การเป็นโพธิสัตว์นี้ต้องช่วยให้ทุกคนไปสวรรค์ก่อนให้เขามีความสุขกันอันั้นไม่ใช่การเป็นโพธิสัตว์ก็คือการสร้างทานบา ร, รมีนี้เพื่อตัดความยึดติดในทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองที่เป็นเหมือนสมอเรือที่ทำให้เราไม่สามารถออกสู่การปฏิบัติได้ถ้าเรายังหวงทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองอยู่เราก็จะอยู่คอยดูแลรักษาทรัพย์สมบัติก็จะไม่มีเวลาที่จะไปภาวนาได้เท่านั้นเอง การที่เราให้ก็ทําให้ผู้อื่นเขามีความสุขแต่เป้าหมายที่แท้จริงก็คือต้องการปลดภาระทางใจของเราที่ยังมีความผูกพันอยู่กับทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆอาจารย์อย่างที่อาจารย์บอกท่าอาจารย์มีความสุขที่อยากได้เกบมาจากที่นันท่านอาจารย์ไอความสุขอย่างนี้ มันก็อยากมีนะทุกคนไม่ยอมมีก็ทำไปดิไม่มีก็ทําไปเดียวมันก็เกิดขึ้นมาเองทุกครั้งที่ยาวเงินไปซื้อของก็เอาไปทําบุญนะ มีก้าตอเก็นเหมือนกับว่า้าสอบาแต่าาทาไปมากๆแต่มาทาแล้วมันไม่ถึงหนังตัวอย่างแบบแอาจารย์ว่านอยาเลยมันไม่มากเลยมันทำไม่มากเลยเราคิดว่ามากวันทั้งสักกี่ชั่วโมงถึงว่ามากอะขาอาจารย์ <c oughs> ทำทำทำทั้งวันเลย <c oughs> ตื่นแต่ตื่นจนหลับเลยทำทํนานักเท่าไหร่ อันนี้มีเท่าไหร่เอาไปแจกได้สักครึ่งหนึ่งก็แบบจานเล่นภาวนาเป็นหลักมันก่อนจะถึงภาวนาได้มันก็ต้องทานก่อนมีทานแต่เราก็ทำทานพอประมาณถ้าประมาณถ้ามันประมาณก็ภาวนาก็พอประมาณมันเป็นมันเป็นตามขั้นของทานศีลไปเหมือนกับเราสร้างบ้านสร้างอาคาร ถ้าเราต อ, อกเข็มน้อยมันก็สร้างอาคารได้ไม่สูงมากถ้าเราต้องการสร้างอาคารที่สูงเราก็ต้องตากเสาต อ, อกเข็มให้มากให้ให้ให้ฐานมันแข็งแรงใช่มันมันมันรับน้ำหนักกันไปไงมันมันสนับสนุนกันไปเนี่ถ้าทานน้อยศีลก็จะน้อยภาวนานก็จะน้อย ถ้าทานมากศีลก็ยะมากแต่ว่าคนตันมากๆแต่านก็ปกติแตว่าเอนเอ็มากที่จะท ำ, มำมไม่ได้แล้วก็ทานนี่มันเป็นเหมือนสมองเลือถ้าคุณไม่ยอมทอนสมองเลือคุณติดเครื่องไงเหยียบคันเร่งยังไงมันก็ไม่มันก็ไม่ไปอยู่ดีความตันหนีมันยังมีอยู่แล้วความ อ, อ, อ <c oughs> แล้วความอยากใช้เงินซื้อซื้อความสุขต่างๆมันยังมีอยู่ มันก็เลยภาวนาแบบแบบขอไปทีพอไม่ให้เสียเสียฟอร์มไม่เคย้าวนเท่าไหร่เยแต่ว่ารู้สึกว่าคือตอนแรกแรกแรงจูใจขนาดตัวก็ยังไม่เห็นแต่ว่าแรงจุงใจรูปคือว่า ชาที่แล้วมนคงทำน้อยชานเนี้ยยาชาเนีสส้ยังไม่ทํชาข้าวมันคยากไปเลยก็เหมือนเดิมอย่างนั้นเออตัดใจทําไปก่อนแล้วหนังก็มาใช่ทำไปแล้วเดี๋ยวผลมันก็เกิดขึ้นมาเอ ง, อเงรอดูผลแต่ไม่ไม่สร้างเหตุไม่สร้างเหตุเอ อ, เ อ, อ, เ อ, อไม่ซื้อตั๋วไม่ก็ดูแต่แผ่นที่อยู่หน้าหน้าหน้าลงไม่ได้เข้าไปในโรก ไม่ยอมเสียเงินยะไ <co ff s> ย้ยเงินสำไมเด็กๆเวลาอยากจะดูหนังแล้วไปยืนอยู่ก็น่าลงพอผู <eras> ้ใหญ่มาก็เก่าแขนไปแต่ต้องมีผู้ใหญ่พาเข้าไป มันไม่มีสตังค์อยู่กับย่าย่าเขาไม่สนับสนุนเรื่องบันเทิงอะไรต่างๆพุ่มเฟยเพราะยากจนเนีไยต้องเก็บเงินไว้สําหรับปัจจัยสี่เป็นหลักงั้นถ้าอยากจะหาของพุ่มเฟยนี้ต้องหาเองขอแล้วขอแหลกเลยคนไหนรู้จักก็ขอเลยขอทีละสิบตังค์ยี่สิบสตังค์สมัยนั้นก็ให้ทีงคือพอไปซื้อไอติมได้แท่ง ย่าท่านจะได้ได้ปูฐานทางศาสนามาไหมคท่านเป็นคนจีนท่านก็รักษาท่านก็ชิมกินเจเป็นประจำทุกปีก็ตอนก็ไปอยู่โรงเจไปกินเจแล้วก็ไปกับท่านไปดูงิ้วไปแต่งชุดขาวอยู่โรงเจอะไรเงี้ยไหว้เจ้าวันตุษจีนสาจีนอะไรอยางเงี้ยทำขนมทําของไหว้ทํากระดาษเผาอะไรตอนเด็กๆไปไหนยา่าเป็นเหมือนแม่ พ่อพ่อแม่ไปฝากไว้ตั้งแต่อายุสองขวบทิ้งไว้ประมาณสักแปดปีมั้งพออายุสิบขวบมาค่อยมาเอามามาเรียนหนังสือที่กรุงเทพตอนนั้นอยู่ที่สุพรรณบุรีก็ต้องหาถ้าต้องการเงินพิเศษก็ต้องหาเองอตอนอยู่ปหนึ่งปสองนี่จำได้ว่าก่อนจะไปโรงเรียนนี่ไปขายปลาท่องขูกขอขอขอ่อน เอาเอาเงินที่ขายป้าต้องโกนี้ไปกินที่โรงเรียนใช้ที่โรงเรียนสวาวทิ่ก็ไปรับขนมจีบซาลาเปามาขายเดินขายไม่เคยอยู่ว่างๆวิธีไหนหาเงินได้หาประโยชน์ได้มักมันจะทำของมันเองไม่มีใครมาสอนไม่มีใครมาบอกให้ไปทำขอทำเอง แต่ทานอรก็มีความทะเยอทะยานที่อยากจะได้มากกว่านี้ใช่ไหคะก็มันก็ได้เท่านั้นก็พอใจแล้วนะก็พอมีความสุขแล้วก็ไม่เคยคิดอยากจะร่ำอยากจะรวยอยากจะมีมหาเศรษฐีอะไรก็อยากจะมีบ้างสมัยเด็กๆก็สมัยที่โตขึ้นมาก็มีกิเลสบ้างก็อยากจะไปดูหนังบ้างไปเที่ยวบ้างไปงานเลี้ยงบ้างอะไรแต่มันก็ไม่ได้ถึงกับว่าจะเป็นจะตายให้ได้ถ้าไม่ได้ไป ไม่ได้ไปก็แล้วไปได้ไปก็ดีทำไมเด็กๆช่วงนั้นที่เรียนหนังสือที่พ่อเขาใจดีก็ให้เงินใช้มากหน่อยก็เลยทุกเสาทิศมีเงินพอไปดู ไ, ได้ว่าวันตอ น, นเรื่องแถวทิตศนี้ก็ได้ดูสองเรื่องไปหมดหนังญี่ปุ่นหนังอินเดียแ ถ, ถวแถวบอร์ดเวแถวแคปิตอลแถวไหนนีไ่ไปดูหมด แถววังบุรพาก็ไปเฉลิมไทยเฉลิมกรุงนี่ไปหมดทุกทุกโรงรู้จักหมดแต่ซื้อตั๋วห้าบาทมั่งเจ็บ า, บาทมัง่งตั๋วชั้นหน้าเลยสมัยก่อนนี่สามแถวหน้ามันห้าบาทยังไงะแล้วสองแถวหลังตามมากเจ็ดบาทแล้วหลังฉันนั้นทีนี้เป็นสิบบาทถ้าชั้นบนก็สิบสองบาทกับสิบหกบาทมี ส่นใหญ่ล้วจะตีแค่ห้าบาทเจ็ดบาทนั่งเงยอเวลาหนังชายแล้วบางทีกันดีไปนั่งข้างหลังบาที่ว่างกันดิไปนั่งข้างหลังบางทีก็โดนเข้ามาไล่กลับไปอาจารย์ครับท่านคนที่บ้านตัวอย่างเรายังไม่ชัดเจน แต่เราเคยเห็นมาตัว อ, อย่างที่ั่วไม่บาอาจารย์ท่านหยิบยกออกมาเล่าให้ฟังซึ่งฟังทั้งใดมีความรู้สึกว่าโอ้โหมันเหมือนก็อยู่แค่เลื่อมนิดเดียวอย่างนี้เลยค่ะก็มีความสุขเรามีค่ามีความหมายมากต้องสังเกตดูที่ผ่านมาตลอดชีวิตสิบห้าปีเนี่ยเคยทำว่างสิบหาปเนี่ยเคยทําิจฉประมาณสามครั้งก็จะไม่รู้ดึงนะเจ้าพนี่นพ อ, อเป็แต่ตัวอย่างว่าเราไปเร่งรีบไหมคะก็อยู่ที่เราไงเราพอใจหรือเปล่าพอใจที่ยาบวชหรือเปล่า การทาใจมีอยู่ถึงคำถาที่ลูกอยากถามมากถ้าเห็นทุกอย่างเนี่ยถ้าเราไม่ออกบวชทุกสีก็แปลว่าไม่อย่างเรายังพววกันยังไม่ไม่ไม่ึกซ้งไม่ไม่ไม่ทาให้เราสงบหรือขั้เราอก็อาจจะไม่เห็นแบบชัดเจนนะฮะเห็นแบบแวบๆเห็นแบบแวบๆยังไม่ประทับใจ แต่แทนแบบประทับใจนี้มันจะไม่เอาแล้วเรื่องทางทางโลกทางลูกเสียงกิ่นรสนี้มันจะไม่เอาแล้วมันจะเอาทางนี้แล้วมันจะปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นไปแล้วจะตัดภาระจะลดภาระต่างๆไปจนในที่สุดก็ไม่มีภาระอื่นเลยอย่างเรานี้เราก็ลาออกจากงานเลยทํางานได้ประมาณหกเดือนก็ขอลาออก พอนั่งพอนั่งสมาธิได้จิตสงบนี่มันเห็นว่ามันขาดกันละเวลาทำงานนี่จิตต้องทำงานจิตมันต้องหมุนมันต้องฟุง้งเวลามานั่งสมาธิก็ยากที่จะทำให้มันสงบถ้าไม่ทำงานนี่จิตก็จะไม่ต้องคิดมากไม่ต้องวุ่นวายมากก็จะทำให้จิตสงบง่ายแล้วก็จะมีเวลาทำให้มากขึ้นก็เลยก็เลยพิจารณาแล้วก็เห็นว่าเอะเรา มีทรัพยากรอยู่ก้อนหนึ่งพอที่จะอยู่ได้ปีหนึ่งปฏิบัติได้ปีหนึ่งเราก็เลยขอลาออกทำงานแล้วก็ปฏิบัติอยู่ปีหนึ่งกง็ใหม่ๆก็ก็ไม่ถึงกับสงบแบบทันทีทันใดมันก็ก็สู้กันไปก็สงบบ้างนิดๆหน่อยๆ แล้วพออยู่ช่วงหนึ่งมันไปเจอความเจ็บแล้วก็มันก็ไปบริกรรมเขาพอบริกรรมแป๊บเดียวความเจ็บมหายไปจิตก็สงบมันก็เลยเห็นว่าโอ้เจิตของเรานี่มันเปลี่ยนแปลงได้อย่างนี้อยู่ที่ตัวเราเราสามารถทำให้มันเปลี่ยนแปลงได้นี่เราก็เลยจับจับประเด็นได้ก็เลยรู้ว่าถ้าเราอยากจะให้จิตสงบมากขึ้นเราก็ต้องควบคุมความอยาก ก็คุมความคิดประกอบกับหนังสือที่ได้อ่านมา ก, ก็ก็ให้ความรู้ทางทางการปฏิบัติเพราะอ่านสติปัฏฐานสูตรเป็นหลักก็เลยมีแนวทางของการปฏิบัติรู้ว่าต้องทำอะไรรู้ว่าต้องเจริญสติตลอดเวลารู้ว่าต้องนั่งสมาธิทำใจให้สงบรู้ว่าต้องพิจารณาร่างกายว่า ไม่เที่ยงไม่สวยงามมีอาการสามสิบสองเป็นซากศพเป็นดินน้ำลมไฟหรือในสติปทานที่เกี่ยวกับร่างกายจะสอนอย่างนี้สอนให้เจริญสติเวลาร่างกายเคลื่อนไหวทำอะไรก็เข้าดูอยู่ตลอดเวลาเวลาว่างไม่ต้องทำอะไรก็ให้นั่งหลับตาแล้วก็ดูลมหายใจเข้าออก เวลาออกจากสมาธิมาถ้าไม่ต้องทํากิจอะไรก็ให้พิจารณาความตายบ้างพิจารณาอาการสามสิบสองบ้างพิจารณาธาตุสี่ดินน้ําลมไฟบ้างให้เห็นว่าร่างกายนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นอสุภะเป็นปฏิกูลก็จะสามารถาปล่อยวางร่างกายได้ละ <c oughs> สกายทิฐิได้ละกามราคะได้ การพิจารณาร่างกายแต่ตอนที่ปฏิบัติคนเดียวก็ทําแบบสเปซสะปะแบบมวยวัดถูกบ้างผิดบ้างจะไปได้เป็นกรอบเป็นกรรมก็ตอนที่ไปอยู่ตอนที่ได้บวชแล้วไปอยู่กับหลวงตาแล้วดังนั้นท่านจะชี้แจงอย่างละเอียดขั้นตอนของการปฏิบัติอุบายต่างๆที่จะช่วยเสริมความเพียรต่างๆเช่นการโอตอาหาร ความเข้งคัดต่อข้อวัดปฏิบัติการฉันมือเดียวฉันไม่บาดความขยันมันเพียรความอดทนอดกั้นต่อความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นจากการต้องสัมผัสรับรู้กับเหตุการณ์ต่างๆเราจะพเวลาอยู่ใกล้ลวงตานี่แหมมันเบืความรู้สึกนี่มันเหมือ น, นตกนรกทั้งเป็น <c oughs> นั่นแหละมันก็เป็นเครื่องกระตุ้นให้เราต้องมีสติต้องมีปัญญามากเนี่ยมันเป็นอนุบายของท่านที่ท่านทําตัวเป็นดุร้ายโหดร้ายทารุณนี่ก็เพื่อที่จะสร้างให้เราผลิตอาวุธขึ้นมาต่อสู้อย่างที่เขามีพูดว่าปัญญาบปัญบทุกบ่มีปัญญาบ่เกิดเวลาเห็นท่านปั๊บนี่ใจมันทุกข์ขึ้นมาทันที <c oughs> ไ, ไ, ไม่รู้จักไม่เคยรู้จักท่านเลยจะไปรู้จักท่านก็ตอนที่บวชแล้วไปอยู่ที่วัดบอนแล้วพอดีพ บ, พบพวกพระฝรั่งเขาเขาเดินทางไปศึกษาที่วัดป่ามา่านตานกันอก็เลยคิดว่าอยากจะลองไปดูเป็นวัดแรกแต่ก็ไม่ได้คิดว่าจะอยู่หรือไม่อยู่เพียงแต่ว่าตอนนั้นยังไม่รู้ว่าจะไปอยู่ที่ไหน ก็แต่ทราบว่ามีครูบาอาจารย์ทางสายปฏิบัตินี้อยู่ทางภาคอีสานมากก็เลยอยากจะไปพบไปไปทดลองดูก็กล่าวว่าถ้าอยู่ที่นี่ไม่ได้ก็ข้ามไปวัดต่อไปจนกว่าจะหาที่ที่อยู่ได้รือที่เราพอใจแต่ก็โชคดีที่ไปวัดแรกก็พอใจกับวัดแล้วท่านก็เมตตาให้อยู่ก็เลยไม่ได้ไปไหน อยู่ที่นั่นก็เก้าปีแปดปีกว่าเก้ 9, าพรรษาออกมาสองครั้งครั้งแรกก็ห้าพรรษาผ่านไปแล้วกลับมาเยี่ยมบ้านครัง้งหนึ่งครั้งที่สองก็แปดพรรษาผ่านไปแล้วครั้งที่าสามก็พรรษาเก้าออกมาก็ออกมาแล้วก็ไม่ได้กลับไปเลยหลังจากมาอยู่ที่นี่ต่ออยู่จนถึงปัจจุบันนี้ พัษานี้ก็สาสิบเก้าแล้วรูสเก้าปีที่สามสิบเก้าก็มาอยู่วันนี้เกือบสามสิบพรรษาตาตอนเรามาสามพรรษาสิบพรรษาเก้านี่พรรษาสิบอยู่ที่วัดโพธิสัมภารอยู่ในเมืองพัทยาอยู่ที่นั่นพรรษาหนึ่งมาอยู่ที่นี่ยี่สิบเก้าพรรษา โอ้ยเกินเวลาน้นี่เอางั้นพอแล้วเอาแค่นี้ก่อนนะเอาการ น, น่าค่อยว่ากันใหม่2ยี่สสา ที่สองที่สองกันแดด